เมื่อวันที่ห้านี่มีญาติผู้ใหญ่ของอาตมาเสียคนเศร้ากันทั้งโลกเลยอเมริกาเห่งกับรถทงเครึ่องเสาบารัตโอบามาเห็นกับต้องออกมากล่าวคำไว้อะไรผู้นำทั่วโลกให้สัมภาษณ์เสียดายที่ที่โลกสูญเสียคนคนนี้เร็วเกินไปเราเสีย ว, วันที่ห้าเช้าวันที่หกอาตมาภาพตื่นมา ขณะที่ล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วกลาลังเดินออกมาลูกศิษย์วิง่งตึงตึงตึงขึ้นมาถือคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ a p p เ e เอามาให้ดูแล้วถามว่าพระาอาจารย์มันเกิด อ, อะไรขึ้นอ่ะคือคอมพิวเตอร์ยี่ห้อเพื่นเนี่ยปกติถ้าเราเปิดไว้ในที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตหน้าจอจะเป็นรูปเป็นไซต์ของ แอปเปิลทีนี้รูปกิจธรรมภาพเปิดขึ้นมาปั๊บเจอรูปผู้ก่อตั้งบริษัทแอปเปิลหรือแอปโลโชว์ราเลยท้องวันเดือนปีเกิดแล้วก็วันที่ถึงแก่กรรมด้วย1955ถึง2011ธุรกิจเปิดขึ้นมาเจอรูปสตีดจ็อกโชว์เด่นอยู่อย่างนั้น ไม่เชื่อแตาจยาตัวเองไปคลิก g ู o g l e ดู g ูเก l e ก็โชว์รูปเดียวกันไปคลิกเว็บอื่นทั่วทั้งโลกเป็นอย่างนั้นทั้งหมดรูกศิษย์ก็เอารูปนั้นมาถามพระอาจารย์มาพระอาจารย์หมายความว่ายังไงอธิมาก็บอกว่าก็หมายความว่าเขาไม่อยู่กับเราแล้วสติปจอบในเขาผลิตนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงโลกนี้เขาเรียกว่านวัตกรรมตระกูลไอไอแ i iP port, ipad, ไอโฟนนั่นเป็นหวนให้ i อ a ซ v e r อ s ์ร <laughs> <Very sad. S 1> <laughs> อย่างยิ่งเลยทำไมแตมารู้สึกว่าอัตมาเหมือนสูญเสียญาติผู้ใหญ่ะ่ะ <c oughs> นั่นก็เป็นเพราะวา่าในช่วงสามสีเ่เดือนนี้อัตมาภาพมีความเกี่ยวข้องกับคนคนนี้อยู่ส3งสมเรื่องหนึ่งก่อนที่จะเป็นมาที่ยุโรป อัตามาภาพติดหนังสือที่เกี่ยวกับผู้ชายคนนี้มาสามเล่มตลอดการเดินทางสามเดือนในในแองกฤษสและอีกสามเดือนในภาคเหนืยุโรปเจ็ดประเทศอัตามาภาพอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับผู้ชายคนนี้ทั้งสามเล่มและเมื่อเดือนที่แล้วอัตามาภาพได้รับอารัธนาให้เขียนคำนิยมให้กับหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ The Way of s t Jobs มันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับภาพะนะ เป็นหนังสือเล่ม น, นี้เป็นหนังสือที่ว่าด้วยล d e เดชิ p คือภาวะผู้นำของ Steve j ร b s เขียนโดยฝรั่งพอเป็นแปลเป็นหนังสือเล่มหนึ่งในเมืองไทยเขาก็ขอให้อัตมาภาพเป็นคนเขียนคำนิยมแล้วก็เป็นเรื่องประหลาดมากที่จู่ๆอัตมาภาพปกติถ้าไม่มีเวลาที่จะไปเขียนอะไรยาวๆนะเพราะเวลามีน้อยมากยมอมก็คงรู้ดีแต่แต่ผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นคนที่อัตมาภาพชื่นชมมากยมใช่ไหม อัตารมาพลงทุนเขียนคำนิยมให้กับหนังสือเล่มนี้ถึงสามเวอร์ชันสามฉบับ <c oughs> คือมีข้อมูลที่จะพูดถึงเขาเยอะมากและไม่น่าเชื่อพอหนังสือเล่มนั้นวางแผง เ, เสียชีวิตตอนนี้หนังสือเล่มนี้กลายเป็นเบสเซอร์ในประเทศไทยนี้เป็นเหตุการณ์ซึ่งจะบอกว่าบาังเอิญก็คงได้แต่ในมุมม อ, องพุทธศาสนาเราไม่เรียกสิ่งนี้ว่า บ, บังเอิญมันเป็นไปนตามเหตุตามปัจจัย คือธรมาภาพสนใจศึกษาชีวิตแล้วผลงานเขาก็เลยได้รับการอณรงนาให้เขียนคํานี้ครับงนะนอกจากนั้นเราก็อ่านศึกษาชีวประวัติเขาก็ชื่นชมวิธีที่เขาคิดวิธีที่เขาทํางานมากแล้ะนอ ก, กว่านั้นยิ่งกว่าบอรเกอร์คืออะไรรู้ไหมเมื่อสองสัปดาห์ก่อนธรรมาภาพพูดกับลูกเสดว่าเออธรรมาตัดสินใจแล้วจะเขียนจดหมายไปหาสตีฟจ็อบเพราะว่าช่วงนี้ได้ข่าวว่าเขาป่วยหนัก จะส่งหนังสือธรรมะจะส่งหนังสือธรรมะไปให้เขาแล้วก็จะเขียนจดหมายถึงเขาด้วยว่าอยากให้เขาเนี่ยฝึกการเจริญสติโดยเฉพาะอย่างเยิ่งการอยู่กับปัจจุบันขณะซึ่งเป็นการเจริญสติตามวิถีพุทธที่เราคุ้นเคยกันดีอตาตมารับน์ตั้งใจถึงขนาดนั้นว่าเออปีหน้าตมาพได้รับนิมนต์ไปบรรยายที่แคลิฟอร์เนียพอดีย่ยานที่เขาอยู่คือซิลิคอนวัลเลย์อตาตมาคงต้องไปเยี่ยมให้ได้ <c oughs> รู้ไหมถ้าคนไทยเขาเรียกว่าพูดอย่างนี้คือพูดเป็นลังใช่ไหม แต่ตอนนั้นไม่มีใครนึกว่าสิ่งที่หลุดออกมาจากปากเราเนี่ยเป็นลางทำไมจะมาชอบสนใจผู้ชายคนนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นคล้ายๆโทมัสอวายเดสันโทมัสอวายเดสันเป็นนักประดิษฐ์เอกของโลกประดิษฐ์หลอดไฟให้เราใช้จนทุกวันเนี่ยแต่ยมรู้ไหมสติจกประดิษฐ์อะไรยิ่งกว่านั้นอีกเรามีโทรศัพท์ใช่ไหมเรามีคอมพิวเตอร์ใช่ไหม เรามีกระดานชนวนเวอร์ชั่นใหม่ที่เรียกว่าไอแพดใช่ไหมลูกนอกจากนั้นเรามีอะไรอีกเรายังมีคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดของโลกคอมพิวเตอร์ในยุคต้นใหญ่เท่าห้องเลยโยมใช่ไหมแต่ยุคปัจจุบันนี้เท่าฝ่ามือเราเคยมีโทรศัพท์ที่มีปุ่มเนหัวโงเยอะแยะต า, ายไปหมดนะโทรศัพท์ยุคเดิมนะ่ะไม่กี่ปีนี่เองนะแต่โทรศัพท์ตอนนี้เหลือปุ่มเดียว ทำได้ยังไงและโทรศัพท์หนึ่งเครื่องเนี่ยใช้ประโยชน์ในสารพัดชนิดฉะนั้นเราทุกคนเป็นหนี้บุญคุณผู้ชายคนนี้วิธีที่เราติดต่อกันวิธีที่เราทำงานวิธีที่เราหาความรู้วิธีที่เร า, ท, เราทำธุรกิจวิธีที่เราสร้างสารรค์นวัตกรรมใหม่ๆให้กับชีวิตให้กับการทำงานของเราเนะี่ย แต่เราจะถึงวิธีที่คนทั้งโลกเนี่ยเชื่อมโยงติดต่อกันนะต้องเปลี่ยนไปหมดเพราะผู้ชายคนนี้ฉะนั้นเราทุกคนเป็นนี่สติ๊กจ็อบไม่ว่าจะโดยตรงก็โดยอ้อมโดยเพพาะอย่างยิ่งห้องนี้หลายคนมีโทรศัพท์ไอโฟ e ใช่ไมตัวเป็นนี่เขาโดยที่บางครั้งเราก็ไม่ได้รู้จักเขาโดยซ้ำไปและวหน่ออื่นใดยอมรู้ไหมสติ๊กจ็อบเพชชัพุด นี่ต่างหากน่าสนใจเป็นนักมังสวีรัตการออกแบบนวัตกรรมนี่ห้อแอปเปิลทั้งหมดใช้พุทธปรญญามาเป็นแนวคิดนั่นคือเน้นความเรียบง่ายแต่ทรงประสิทธิภาพสูงสุดปี2005เ้าเป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนั่นเป็นสูนทรพย์ที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งของโลกยิ่งกว่าสูนทรพย์ของวินสตเชิร์ชิล อันเกิดในวินซ์ตันในสูงสุดแล้วเป็นนักกรสุรนธารพุธนักทู่ให้แรงประดานใจแต่ถ้ามาฟังสเตปจอร์ชุดเน้เนี่ยคุณปู่สู้ไม่ได้เขาพูดดีมากในเนื้อหาที่เขาพูดเขาพูดว่าวัานหนึ่งเขาได้รับแจ้งจากหมอว่าเขาป่วยเป็นมะเร็งตับอ่อนเขาบอกว่าเขาแทบลมทั้งเยินเพราะนั่นคือคำตัดสิน เขาเด่าว่าเขาคงจะมีชีวิตยอยู่ไม่ถึงสามถึงหกเดือนขณะนี้เขากำลังตัดสินใจทำอะไรไม่ถูกต่อมาหมอก็ไม่นด้ใช้ว่าเออโรคคุณนมีโอกาสหายนะเป็น้ะเร็งที่หาได้เขาก็เลยหลบไปรักษาตัวอ ย, อยู่ปีสองปีเนะี่ยแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับอะไรทีนี้ก็กลับมายิ่งใหญ่เลยไอโฟนนะจากไอโฟนก็มาถึงไคแพด แล้วก่อนที่เขาจะเสียชีวิตหนึ่งวั น, นคือวันที่สี่ก็มีการเปิดตัว iPhone S ถ้าจะไม่ผิดใช่ไห ม, ไหมนั่นแหะนั่นคือวาระสุดท้ายที่เขาได้เห็นผลงานเปลี่ยนแปลงโลกของเขาแล้วเขาก็จากไป ใ, ในฐาน้นี้นเขาเป็นชาวพุทธสิ่งที่เขาใช้สอนเองก็คือการเจริญมรณานุสติเขาบอกว่าทุกวันที่ผมตื่นมาผมจะถมผมจะบอกเองว่าวันนี้คือวันสุดท้ายของชีวิต แล้วก็บอกว่าในไหนเราจะตายอยู่แล้วทำไมเราไม่ทำสิ่งที่ดีที่สุดฝากไว้ให้กับชาวโลกลนะ่ะเดาว่ามันน่าเชื่อใจไหมที่เขาใช้พุทธศาสนาไปสร้างชีวิตเขาไปสร้างนวัตกรรมและก็ไปเปลี่ยนแปลงโลกนี้ทั้งใบอันตรามะพะนอนไม่หลับเพราะรู้สึกเหมือนสูญเสียยา ก, กุใหญ่เพราะว่าเราได้พึ่สติปัญญาเขาในการทางานทางธรรมะ ทั้งการเทศน์การสอนการเผยแพร่การเขีย น, นต้นฉบับอาจารยมาครารู้สึกว่าตามาเป็นคนหนึ่งที่เป็นนี่บุญคนญาติผู้ใหญ่คนนี้ก็เลยรู้ขึ้นมาเขียนบทความั้งเขาได้ประมาณยี่สิบหน้าตอนจบของบทความนี้อาตามาพูดว่าถ้าหากวันหนึ่งเราทุกคนล่วงรับดับขันไปสู่สัมปรยายภพคือโลกหน้าอยากไปมหไม่อยากก็ต้องไปค่ะ ถ้าวันหนึ่งขทางหน้าเราต้องรับดับขันไปสู่สัมปรยาภพคือโลกหน้าเราทุกคนจะต้องไปยืนอยู่ตรงธรณีประตูเพื่อให้เจ้าหน้าที่สวรรค์หรือนรกเรียกว่าเจ้าหน้าที่คอเซ็นเตอร์จะจําโลกหน้าสอบสัมภาษณ์นะด้างหลังเคาน์เตอร์นั้นจะมีประตูอยู่สองประตูประตูซ้ายเป็นสวรรค์ประตูขวาเป็นนรกเราทุกคนเมื่อตายแล้วจะต้องไปยืนอยู่ตรงหน้าประตูนั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ของโลกแ้าเนี่ยสัมภาษณ์ว่าว่าตอนที่คุณยังเป็นค น, นคุณทำอะไ ร, ร, รยอยู่แล้วสมมติว่าจับตายไปแล้วเนี่ยเขาลงรับดับขันไปแล้วเขาต้องไปยืนอยู่ตรงนั้นและถูกเจ้าหน้าที่แห่งสมนักจะพบสัมภาษณ์ว่ า, าจับฉันถามหน่อยตอนที่ยังเป็นคนนะ่ะคุณทำอะไ ร, ร, รเอาไว้บ้างตูอตอบให้ดีนะถ้าตอบไม่ดีนะี่นาย สวัรค์ไไหมขวานรก ม, นมันเป็นคำตอบที่ยมไม่มีติดต่อไปครั้งที่สองและไม่มีตัวช่วยนะยมงรู้ไหมว่าสตีฟจอจะตอบว่าไงสตีฟจ็อจะบอกว่าเออท่านยมทมูตครับตอนที่ยังเป็นคนผมได้สร้างสรรนวัตกรรมคือคอมพิวเตอร์ไอโอด ไอโฟนไอแพดที่ดีที่สุดแล้วก็ม่วมันให้แก่ชาวโลกครับท่านอย่ามาโคษของยิ่งกรี๊ดคำอินเขาประตือนั่นเลยทีนี้ในทางจับ ก, การอราตมาอยากจะถามโยมวันหนึ่งถ้าโยมโยมทั้งหลายไม่ต้องสมมติก็ได้ทายอยู่แล้วใช่ไหม ตายแนละแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นยมมาทวดกาลันสัมภาษณ์โยชาว อ, อ, วอัฟสทั้งหลายคุณตาวิหาร อ, อ, อรัฟสวดอยู่ตรงนั้นนะท่านเกิด น, นํามาก่อนเพื่อพอท่านคิดว่าเราคงจะเข้าวัดกันบ้างล่ะถ้านจะมาทวดสัมภาษณ์ว่าท่านทั้งหลายตอนนี้นัานทั้งหลายเป็นมนุษย์ไนงะท่านได้ทําอะไรให้กับโลกบ้าง แลหนึ่งทุกคนจะต้องไปยืนตรงธรณีประตูนรกสวรรค์เพื่อที่จะตอบคําถามนี้และเวลานี้สเตปจับเอาโทรศัพท์ไปแล้วเขาขึ้นสวรรค์เขาเกิดมาเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกและทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับโลกคําถามจากอาตมา ก, ก็คือแล้วเราทั้งหลายเนี่ยจะตอบยอมมยันทุวข์ยังไงมั่นใจไหมว่าจะไปประตูซ้ายหรือขวา ประเมินให้ดึงได้ไั้ยไม่ได้ถ้ายังประเมินไม่ได้ว่าฉันจะไปประตูนรกหรือสวรรค์เรายังพอมีเวลาแต่ขอให้ทุกหนักรู้ไว้ว่าเราไม่ได้มีเวลามากนะัก <c oughs> ใช่ไหมเทปจ็อบมีเวลาแค่เท่าไหร่ห้าสิบหกปี <c oughs> ถือว่ายุยังน้อยมากเมื่อเทียบกับคุณอุปการที่เขารังสัรไว้กับโลก คนคนนี้ร้อยปีจะมีเกิดขึ้นมาคนหนึ่งอาตมาดีใจที่ได้รู้จักเขาแต่ก็เสียใจที่ไม่ทันได้ไปนั่งจิชากับเขาทั้งทั้งนี <ๆ S 2> ้ตั้งใจเอาไว้ประเด็นที่พระอาจารย์ได้ตั้งไว้คือเรื่องกุศลบายคายโกรธทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้ไหนยกมือสิใครที่ไม่เคยโกรธเลยมีไหมแล้วไปเกิดมาเนี่ยจิต ม, มันใสเกิดเัืตลอดเลยมีไหม จนคั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อไหร่รู้ไหมเมื่อกี้เห็นบางคนกดเอารถมาจอดแล้วไม่มีที่จอด <g ül> อาจมาไํารำจนวันนี้เราบรรยายเรื่องอะไรเห็นมไหมกุศลไปไกลก็อี่มันเรื่องใหญ่มากานะโยมนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันและบางทีเราก็บอกเป็นว่าเราเป็นชาวพุทธนะ เจ้าพุเนียพระพุทธเจ้าก็สอนว่ า, อ ย, าอย่าโลภอย่าโกรธอย่าหลงนะแต่เราโกรธไหม<อ>บางทีทำเหมือนทําตรงข้ามกับพระพุทธเจ้าเลยนะ<อ>ฉันบอกว่าอย่านี้เราทําเลยนะ<อ> <laughs> ฉะ น, น, นั้นเราทุกคนในฐานะกุฏุชนคนหนึ่ง<อ>เคยโกรธกันมาแล้วทั้งนั้นแหละ อ, อย่าว่าแต่โยมเลยนะพระก็เคยโกรธ ทีนี้ความโกรธเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยจะพูดอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยมันไม่ได้โกรธแบบบุกตัดนะมันมีกระบวนการของมันนะอยูนนะมันมีสามขั้นตอนขั้นตอนแรกเนี่ยเหมือนงเห่าที่มันนอนคุดคูดอยู่ในรูนะพอมันได้ยินเสียงคนเดินผ่านมาที่หน้ารูที่ปากรูนมันก็จะลืมตาตื่นขึ้นมา โดยสัญชาตญาณการกลัวภัยและการระวังภยัยขั้นตอนที่สองมันเห็นคนรู้เห่าได้โดยสัญชาตญาณเยังไงก็ต้องแผ่แม่เบี้ยใช่ไหมแผ่ขึ้นมาก่อนจัดไม่กัดเอาไว้คุยกันทีหลังในขั้นตอนที่สามก็คือขั้นชอบพฤติกัร ปฏิกริยาของงูเหามีต่อศัตรูนะ่ะสามขั้นตอนชั้นใดพัฒนาการของความโกรธก็เป็นชั้นนั้นมันจะเริ่มจากกลุ่นๆ ก, ก่อนยอมเคยสังเร็่องไหมอย่างยมเลี้ยงลูกแม่อบอกให้ไปอาบนะ้ไม่ไปสักทีนี่เยอะท่า <c oughs> นนี้เขาเรียกว่ากลุ่นๆไอ่พักนึงยังไม่ไปนะแม่เดินออกจากครัวมาถือตะลิวลูกยัง เล่นเป็นกดอยู่เลยนะอยัางมองมันทีนี้แม่เหตะเหลวอย่างนี้เลยมองเห็นภาพตวเองไหมตะเหลีวนั่นเงียบเลยตีไม่ตีตีไม่ติตีไม่ติลูกก็ยังเฉยไปอาน้ำเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวลูกจะร้องเดี๋ยวกันแม่่ะพอไปถึงอย่างนี้ปั๊บตะเหลีวฟาดเปรียป้รยงันหัวเลยชกลงไปนั่นหมายควา่าบังครั้งโยมก็เผิดเป็นงูห่าใช่ไหม ฉกโลกไปกี่ครั้งเนะ น, นี่ยบาก็ชกสามีนะบางทีงูเห่านีชื้อพูดชื่อสามีก็ฉกภรรยาแล้มบางคนบางทีก็ไปฉกพระนะเราแต่ละคนเนี่สัญชาติงูเหา่าใช่ไนหะมฉกคนนั้นกัดคนนี้ขู่พ่อเขาไปทั่ว น, ะนี่แหละเรารู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างและดังนั้นเราก็จึงได้เผาปรดกันมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน แต่ถ้าเราเรียนรู้ศิลปะ ก, การจัดการความโกรธเราจะไม่ปล่อยให้ความโกรธพัฒนาถึงขั้นที่สามาำเชื่อไหมทันทีที่มันขึ้นมาถึงขั้นที่หคนที่เคยฝึกการจัดการความโกรธที่เรียกว่ากุศโลบาคลายโกรธพอมันกุนกุดขึ้นมาปั๊บยมจะมองเห็นทันทียังไปเห็นว่าเมฆแห่งความโกรธกาลังตั้งเท้าทั้งหมดเคยเห็นไหมเคยมองเห็นไหมเคยไหมมันกําลังตั้งเท้า เราโทรโทรศัพท์ไปหาสา ม, มีพี่มารับหน่อยนะเดี๋ยวสา ม, มีบอกไม่ต้องรีบหรอกยังไงก็ไปอยู่แล้วเนีย่ยฟังหางเสียงอย่างเงี้ยนะมันจะเริ่มกลุ่นกุ่นกลุ่นขึ้นมาเลยใช่ไหมถ้าเราเห็นขั้นตอนนี้แล้วจัดการกับมันได้มันจะไม่พัฒนาไปถึงขั้นที่สองคือขั้นชมคือขั้นชูนะขั้นชูแผลแม่เบีย้ย่ะแต่ถ้าเราไม่รู้ทันขั้นที้หนึ่งมันขึ้นขั้นที่สองแล้วในที่สุดไปถึง ขั้นทด่3สามแต่ถ้าเราเรียนรู้ศิละปะการจัด ก, การความโกรธอย่างถูกต้องอันจะมารับประกันว่ายังดีสุดโยมจะไปถึงแค่ขั้นที่หนึ่งแล้วก็จบลงทรงนั้นใจของเราจะเป็นดังหนึ่งกระจกเงาใสที่เพียงแค่มีฝุ่นผู้ลีบางๆเลียวมาติดปัด๊งก็จะเห็นทันทีหรือแค่เราเดินผ่านแว็บเดียวก็จะเห็นเงาสะท้อนปรากฏอย่างชัดเจน คนนี้เห็นเงาสะท้อนของปฏิกิริยาแห่งจิตของใจตังตั้งแต่มันเริ่มกอ่อวอดขึ้นมาตั้งแต่ต้นคนหนึ่างเี้ไม่มีโอกาสที่จะเป็นงูเห่าไปฉกใครแต่ที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนเป็นงูเหา่าบางคนฉกจนเที่ยวหักคาสับหลุมนจริงๆนะโยมนะคุณเชื่อมัอ้ยไปที่แล้วแตรแม่ภาพเคยไปโปรดยมคนหนึ่งในวาระสุดท้ายอายุมากแล้วล่ะก็เป็นกังวล ไม่ไปเสียทีหลังจากแพทย์ปฏิเสย ก, การรักษาลูกหลานก็เอามาไว้ที่บ้านแล้วในวาระสุดท้ายเนี่ยก็นิ่งหมดอาตมาไปเท็นอาตมาไปเห็นแล้วก็สงสารยายอาตมาขอพูดตรงๆนะไม่ปลอบนะยายนะยังไงยายก็ไม่รอดคือ <c oughs> ไม่เกิด อ, อะไรขึ้น พูดผับนั่งคนเที่ยงเลยพูดอย่างนี้ได้ยังไงหนูพ่อนี่นี่เข้าทางเลยเนี่ยยอมเห็นไหมว่าจะตายอยู่แล้วกีเลตมันมันแก่ไหมมันหมดแรงไหมมันไม่หมดเลยเน่ะลูกหลานนั่งล้อมเตียงลุกพรึบเลยเนอะแสดงว่ากีเลตป่วยไหมกีเลตไม่ป่วยงูเขาที่ชื่อคนยัยแผ่แบบเบี้ยขาเตี้ยจ ะ, ะจบนะท่าพักหนึ่งโกหรู้สุกตัว ขอโทษเจ้าค่ะล้มตัวลงทอนหายใจรวยดินอัตมาถามะายายเออไหนๆก็จะไปแล้วเนาะยายไม่ต้องห่วงนะเท่าที่ทราบยายทำบุญไว้เยอะมีห่วงอะไรที่ยายอยากปล่อยให้ลงปรงให้เป็นอนะยายปล่อยนะนะวันนี้อัตมาบาตรมาด้วยนะจะขอตักบาตรมีห่วงไหน มีนี่ใดมีกรรมใดที่โยมยังไม่ได้โอสิกรรมโยมเอามาตักบาอตาานะอาตมานะเอ้หหยาห ล, ลับตานึกดูซิก็ให้ให้ยายให้หลับตาหนึกหลับตาจะพักเริ่มตดมีแน่ใหญ่เรื่องอื่นไม่ห่วงโรได้หมดแต่ติดอยู่เรื่องช้นยอมไม่ได้ <laughs> เรื่องอะไรยาย คือเพื่อนบ้านยายนะยายไม่ชอบคีน้ามันก <c oughs> ีปีแล้วอ่ะยายสิบกว่าปีแล้วมันเรื่องอะไร <c oughs> คือบ้านยายกับบ้านเขามติดกันอายุเราก็เท่ากันแหละ <c oughs> ทีนี้บ้านฝังโน้นะเขามีต้นตระหนเยอะตูช็ดรู้หมดเลยทีนี้ พอม่ลี่นออกอผลมามันก็มีลูกฝรั่ลูกท้อกําปั้นกนะําปั้นโย้ไว้มาบ้านคุณยายทีนี้วันหนึ่งคุณยายก็ออกไปเดินเล่นในสวนแหมเห็นลูกฝรั่งแล้วอยากกินเหลือเกินคราววันพันธีไม่เคยประเด็ดนะยายก็มีจันญบันเหมือนกันนะแต่วันนั้นอยากกินยายก็มองสายมองขวามไม่มีใครสักพักหนึ่งก็เลยเดินๆๆๆๆเดินๆๆเดินเดินเดินเดินโชวไปไปเปลีมานสองลูก พอปิดลูกประหัมมาปั๊บเดินเข้าครัวมาเพื่อนบ้านของคุณยายซึ่งก็อยู่บ้านติดกันเปิดประตูเข้ามาในห้องแล้วแขกมาเจอยายถือลูกประังสองลูกเอามาจากไหนเ่คือผู้ร้ายนะ่จนมุมด้วยหลักฐานเนะ่จับได้โดยละบมอต้องต้องปิดมาแล้ว ม, มันเป็นลูกประังของใครอ่ะ ของฉันเอาแ้่เธอมีฝรั่งด้วยหรือไม่มีอ่ะอ้าวแล้วมันมาจากไหนอ่ะก็มันมันมันมันย้อยมาในรวฉันฉันก็คิดว่าฉันก็มีสิไม่ได้ฉันยอมไม่ได้เรื่องแบบนี้ถ้าเธออยากกินทำไมเธอไม่ขอฉัน เดมเชื่อไหมคนแก่เนี่ยเนื่องจากว่างงานมากพลังเยอะลงงานทีมีคนมาหาตีท้า่อยก็ยังก็รังสองลูกลงพื้นแล้วนับจากนั้นสิบสองปีไม่พูดกันจ้าดูไหมสิบสองปีคนแก่กีเลตแก่ไหมไม่แก่หรอกกีเลนี่ปราดเปรียวใช่ละแล้วมันจานั้นไม่พูดกันเลยนะ ทางทางที่เดินผ่านหน้ากันอยู่ตลอดเวลาเดินไปเดินมาเห็นหน้าเห็นตากันคุณยายแบบว่ายิ่งเห็นมันชนยิ่งเจ็บปวดจะพระอาจารย์เนี่ยจะมาให้โยมมโหสิกรรมให้มันถ้าเช่นนั้นมันก็ชนะโยมสิจะให้โยมโยมแพ้เนี่ยนะโยมไม่พีคอาตมาขอถ้าโยมไม่ปล่อยวางความแค้นนี้มันจะตามโยมข้ามภพข้ามชาตินะ ตรวจแค่เนี้ยมันไม่มีปัญหาอะไรเลยนะโยกทิ้งมันเถอะท่านอาจารย์เจ้าคะอย่ามากล่อมเลยยายไม่ยอมหรอกยายไปให้ไม่ได้ยายถ้ายายไม่เปิดวางความตรวจคราวนี้นะมันจะข้ามภบข้ามชาตินะให้มันข้ามไปพูดถึงขั้นนี้แล้วแต่แม่ก็เก็บบาตรใส่ย่าไปละไม่คือตัวอย่างว่า ความโกรธเล็กๆให้มันได้เกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าเราจัดการไม่เป็นมีโอกาสส่งไหมที่จะเป็นแผลเป็นในใจเราความพวกค้ามชาติไปเฉะนั้นความโกรดนี้อยู่กับเราทุกเมื่อเชื่อไวเมื่อไหร่มีเหตุปจัจจัยมันก็จะเกิดตันก็จะเกิดตุ้มขึ้นมาถ้าเราไม่รู้จักกุศโลบายคลายความโกรธเราก็จะตกเป็นทาสของความโกรธและเมื่อโกรธขึ้นมาแล้วมันก็จะทำร้ายเรา ไม่ใช่แค่ที่นี่เดี๋ยวนี้เท่านั้นนะบางทีโกรธกันนะ่ะข้ามพบข้ามชาติยมดูผู้ก่อการร้ายเขาโกรธอเมริกาเ น, นี่ยกดจีเครื่องบินพาณิชย์สองลำใช่ไหมไปชนตึก w o ิ l d t r a ร e เซ็ t เตอร์นั่นคือความโกรธมวลรวมประชาชาติมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะคนทั้งประเทศยกทัพมาทำสงครามกันก็ได้ใช่ไหม คนทางระวิทยยกทัพมาเขียนข้าเราวีกันก็ได้ปวดชาตินี้แล้วปูกโกรธข้ามชาติก็ได้ฉะนั้นความโกรธนั้นถ้าเราไม่บริหารจัด ก, การให้ดีเนี่ยมันจะเป็นมะเร็งที่กัดกินชีวิตของเราทุกคืนลราโยมหลับตาลงนอนเนี่ยแล้วยมนึกถึงหน้าใครสักคนหนึ่งซึ่งโยมแค้นนะแค้นหนาโยมว่าโยมจะมีความสุขไหมไม่มีความสุขะแล้วยมคิดว่าเขาจะมีความสุขไหม บางทีนะเขาอาจจะมีความสุขถ้าได้กระตุ้นเราให้โกรธก็คงเหมือนเราอะถ้าได้ทำอะไรแล้วรู้ว่าเขาโกรธเราก็อาจจะมีความสุขแต่ความสุขจากการได้ทำให้ศัตรู โ, รโกรธเปรียบไปเหมือนความสุขซึ่งเกิดขึ้นจากการเกาขอบปากแผลที่กาลังคันเคยคัน ในชีวิตเคยคันนะพราะมันคันนั้นเก่ามันนี่หนึ่งนะมีควาสุขนะดังนั้นมันนำธาตุจะหายนี่ไม่อะไรเหมือนกันนะแต่ให้มันคันต่อไปคือมันมีกวามสุขนะเก้าก่อปากแผลที่คันเลยมันนี้วาสุกแต่พอเราเกาไปเกาไปเก่าไปเนี่ยแผลลุกลามไหมติดเชื้อได้ไหม ความสุขซึ่งเกิดขึ้นจากการเกาขอบแผลที่ขันกับความสุขซึ่งเกิดขึ้นจากการไม่มีที่ขันให้ต้องเกาอันไหนดีกว่าไม่ดีกว่าไม่ต้องเกานะแต่ถ้าแต่าใดก็ตามที่ยอมยมยังมีความโกรธอยู่ยมมีที่ให้เกาไหมเยอะเยอะเลยแเดี๋ยอะเลยล่ ะ, ลละ <laughs> ฉะนั้นวันนี้เราควรจะมาบริหารจัด ก, การความโกรธของเราอาตมาภาพมี วิธีการหลายข้อเท่าที่เวลาจะอำนวยนะทีนี้ก่อนที่จะไปพูดถึงกันจัด ก, การความโกรธท่าอาจารย์อยากจะบอกว่าความโกรธมีสามรูปแบบหนึ่งพื้นฐานที่สุดเลยเป็นความโกรธสบายๆ ย, ยังไม่มีพิษใน่มีภัยอะ่ะเป็นความโกรธที่คล้ายๆกับรอยขีดบนน้ําเคยเอาไม้ขีดน้ํำไหมถ้ายังไม่เคยกลับไปวันเนี้นะยน่ะเด็กใกล้ๆมหาวิทยาลัยอุตสวนะมีคลองอยู่ใช่ไหม นะหาไม้มาอันเขียวดูแล้วก็ยกขึ้นพอยกขึ้นร้อยหายไหมรอยไม้ที่ขีดลงไปบนน้ำจะหายเลยความกดทุคนบางคนเป็นอย่างนั้นคือกดธปุ๊บหายปุ๊บอย่างโกรธในห้องเนี้ยเดินไปเข้าห้องน้ํนากลับมาหายแล้วจะมีแม่อันตรายอย่างที่สองเหมือนรอยขีดบนผืนทรายเคยไปทะเลไหมเคยถ้ายัางไม่เคยขอแนะนําทะเลบมงไทยสวยที่สุด ถ้าไปที่เะเล่ะเป็นอาชีพหาดเอาไม้ว่ารูปเขียนอะไรก็ได้ถ้าเขียนก็เขียนข้อความที่เป็นมือคนหน่อยนะตอนที่เราเขียนบนผืนทรายรอยเขียนนั้นจะยังคงอยู่ใช่ไหมทีนี้พอคลื่นาสาบซัดมารอยนั้นก็ถูกเลืนไป กับกระแสขึ้นจริงไหมเตรียมเหมือนความโกรธของคนประเภทดื้อกองตัวเหมือนกันแหละแต่ว่าผ่านไปตัง้งชั่วโมงหนึ่งผ่านไปทั้งคืนหนึงนนนน่งผ่านไปตั ก, กงกวันหนึงน่งสัปดาห์ที่หนึ่งสัดือนหนึ่งสัปดหนึ่งแล้วค่อยลดลงลดลงลดลงจนหายทีนี้อย่างที่สามเตรียมเหมือนรอยจาะดึก บนหน้าผาหรือบนแผ่นศิลาวันก่อนอามาภาพไปเยี่ยมชมสโตนเฮนช์ถ้าเราดูใกล้ๆนี้จะมีรอยศิลาเจรึกนะโยมนะเขียนเอาไว้แนละ้วกี่พันปีมาแล้วโยมสโตนเฮนช์ซึ่งอาจาภาพาาอ่านว่าสโตนหินเห็นกับหินก็ใกล้กันนั่นแหละ <c oughs> ใช่ไหมอรตมาก็เลยอ่านว่าสโตนหินอายุตั้งสองสามพันปีใช่ไหม บางสำนักบอกว่า 4,000 เปรแต่รอยที่เคือจะริกไว้หายไหมไม่หายนะเช่นเดียวกันความโกรธของคนบางคนเป็นดังหนึ่งรอยจะริก บ, บนแผนศิลาก็เหมือนความโกรธของยายคนนะจะตายอยู่แล้วปล่อยลงปรงเป็นมีที่ดินเป็นร้อยไร่นะยกให้ลูกสาวยกให้ลูกเขยไม่อะไรเลยนะแต่มีความโกวธอยู่ก้อนนึงยกให้พระไม่ยอม <c oughs> <c oughs> นี่อันตรา <c oughs> ยมาก ความโกรธชนิดที่สามเป็นความโกรธที่อันตรายที่สุดเอาประเมินตัวเองซิมีความโกรธแบบไหนอย่าเรื่อนเพื่อทําให้ตัวเองดูดีแล้วโกรธทีหนึ่งแหมอยู่ยาวเลยเขาโกรธไหมบางวันก็เป็นอย่างที่หนึ่งใช่ไหมบางทีก็อย่างที่สองและบางครั้งก็เป็นอย่างที่สามสำหรับใครบางคนถ้าใครเป็นแบบก็อที่สามเนี่ยเนี่ย ต้องมาเข้าขอสกิลตแมนจิเมต์กับอา ต, ตมาห่วนที่สว น, นอาการอย่างนี้อันตรายมากเพราะว่าจะทำให้จิตใจเศร้าหมองไม่มีความสุขผิวไม่ปุดผ่องแก่ก่อนวัยคนอายุสั้นเป็นมะร็งในอารมณ์ฉุนเฉียวมุงหิดง่ายมองหัวโกธาง่ายฟาดงวงฟาดงานง่าย ชอบเผลอทำตัวเองเป็นยักษ์วัดแจ้งยักษ์วัดโงจริงไหมจริงค่ะตีที้เราจะมาเป็นบรรยายที่เวนิสเวนิสเขาจะเรียนเรื่องหน้ากากใช่ไหมก็จะมีเทศกาลหน้ากากหน้ากากมีเป็นพันๆหน้าเลยอาตมาบอกพระหลังคนหนึ่งซึ่งเดินตามอาตมาว่าโยมรู้ไหมพันๆหน้าของหน้ากากหาได้ในคนเราหน้าเราหนึ่งหน้าเนี่ยอวตารเป็นพันหน้าได้ไหม อย่างน้าโยมนะบางวันนะบางวันใจดีขึ้นมาฝูกสามีตืวว่นแต่วเช้าฮัลโหลดาริ้งนย it's lovely day มันหวานมาตั้งเช้าเลยอันนี้เป็นหน้าอะไรโยมนังฟ้าเจ่พอตอนหนึ่งเที่ยงมารถไปติดอยู่กลางถนนวันนี้เป็นปันอะไรเนียนะ่ยอันนี้เริ่มเป็นย้อเป็นมาแนละ้วใช่ไ ห, ไหมพอตอ น, นเย็นเย็นมาที่วัด หลวงพ่อเจ้าคะยอมอยากรักษาสินแปดเจ้าค่ะออันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นยามรขึ้นมาแล้วฉะนั้นในหนึ่งหน้าของเราเนี่ยอาวาตารเป็นพันๆหน้าได้โดยไม่ต้องสมหน้ากากแต่หน้าที่อันตรายที่สุดคือหน้าโกรธหน้ายักษ์เนี่ยหน้าอันตรายที่สุดก็คือหน้ายักษ์จำได้ไหมว่าไปทําหน้ายักษ์ใส่คนอื่นครั้งสุดท้ายเมื่ อ, อไหร่เ <laughs> มื่อวันมียมมามาเยี่ยมมาตะมาแล้วถ่ายรูป พอทานเสร็จโยมบอกว่าพระอาจารย์ถ่ายใหม่ได้ไหมเจ้าคะทําไมพระอาจารย์แน่ดุ <c oughs> นี่เป็นเหตุให้เวลาถ่ายรูปป๊อปจะ ต, ต้องนีเพราะอะไรถ้าอยู่เฉยๆมันดุมากคือ <c oughs> บางครั้งเราไม่ได้โกรธใครนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของรูปธรรมนะมาทำมาเนาะมันเรื่องไม่ได้นะมันดุอะ่ะ <c oughs> แต่เราไม่ได้โกรธนะฉะนั้น ใ, นใครที่แน่ดูอยู่แล้วต้องหักนิ้ม ใครที่โกรธอยู่แล้วก็ต้องหัดสลายความโกรธเนีย่ยพระอาจารย์มีมีเคล็ดลับเอามาดูกันบ้างว่ามีกุศโลบายใคโรโกรธยังไงหนึ่งต้องเห็นโทษของความโกรธนะยังรู้ไหมว่าความโกรธมีโทษรู้ใช่ไหมฆ่าพ่อได้ไหมถ้าแม่ได้ไหมถ้าเจ้านายเราได้ไหมฆ่าลูกได้ไหมฆ่าเด็กได้ไหมกำหนดในฆ่าตัวเองก่อนจากนั้นจึงค่าคนอื่น ค่าสัมพันธภาพได้ไหมค่าธุรกิจได้ไหมค่าอนาคตของเราได้ไหม mm hmm. แล้วเดี๋ยวนี้เวลาที่เราโกรธใครนั่นมันง่ายมากเรามีอินเทอร์เน็ตใช่ไหม mm hmm. ไปเขียนด่าเขาในอินเทอร์เน็ตบางที hmm. มีคนมาช่วยด่าเป็นพันเลยนะ mm hmm. มนุษย์นี่ประหลานมากนะอัจมาเคยลองนะเขียนข่าวนะเขียนว่าวันนี้อาจมาภาพเนะี่ยไปช่วยน้ําท่วมเนี่เอาเอกสารไปแจกตั้งพันถุง ก็เลยอยากจะฝากบอกบุญโยมทั้งหลายให้ช่วยโมทนากับอาตมาด้วยหนึ่งวันเข้าไปดูมีคนมาสาธุสามคนดูสิโยมนะอีกวันหนึ่งมีดาราคนหนึ่งเขาทะเลาะ ก, กันกำลังเป็นข่าวอยู่เลยทีเดียว <c oughs> เขาไปเขียนด่าเพื่อนเขาโพสทิ้งไว้ในอินเทอร์เน็ตคืนเดียวนะโยมนะรู้ไหมมีคนมาแสดงความเห็นต่อ พันความเห็นนแล้วแต่เป็นข้อความที่ดิ่เถื่อนตำสุดถุนอันมาก็คิดว่านี่ยอันดมาทำความดีนะไปเขียน คิดว่าจะมีใครมาโมท่านมีใครมาโมท่มมาทนภ า, าษาดุกันมาออกข้อคิดความเห็นร่วมกันจะมามาบริจาคข้าวสารร่วมบางบริจาคเงินร่วมบางเียบนะมล้วเขียนก็เหมือนกับไม่เก่งภาษาไทยนะสาธุเนี่ยคนที่หนึเขียนนะคนที่สองมันก๊อปปี้มาวังเลยคนที่สามเขียนว่าเจ้าค่ะแต่เวลาคนด่ากันทํามแนวรบมันเยอะจริงจริงดูดูสินั่นคือมนุษย์ มนุษมีความสุขท de ี لا, ่ได้สัมเติมคนอื so ่นเห็นคนอื่นได้ดีมีความสุขเฉยๆใช่ไหมเห็นใครตกทุกข์ได้ยากสมคําที่เหลือไม่ต้องพูดนะพูดคำเดียวพอนี่โดยดิฉะนั้นความโกรธนั้นอันตรายมากและมีแนวร่วมมากเวลาที่เราโกรดขึ้นมาเราต้องเตือนเองว่าอืมความโกรธเนี้อันตรายนะสอนเรงนะเพราะความโกรธนั้นเป็นดั่งสนิม ของเหล็กมันจะกัดกินเหล็กก่อนจัดกินเนื้อเนื้อมันก่อนแล้วก็กัดกินเหล็กฉะนั้นก็เมืเกิดแต่เหล็กชั้นใดเนะี่ยแล้วก็ทําลายเหล็กชั้นใดความโกรธก็เหมือนการเกิดจากเราแล้วมันก็ทํำลายเราเราต้องเตือนตรงอย่างนี้ประเด็นที่สองตระหนักรู้ว่าเรากําลังโกรธพอมันกุงกุนขึ้นมายงต้องตระหนักรู้นะจู่ๆความโกรธบับขึ้นมาเนะี่ยเหมือนไฟแดงวับขึ้นมายงต้องกระติ๊ดเองนะ ยิกแขนเลยนะนี่เธอเธอโกรธแล้วนะเธอเริ่มแล้วนะถ้ายีกแขนไม่รู้สึกยีกขายิกเองไม่รู้สึกบอกเพื่อนเธอช่วยอีกชันหน่อยคือเราก็อกระซิบตัวเองนะกระซิบตัวเองเจ้าเลงฉันกําลังนั่งประชุมอยู่เนี่ยเราเสนอโครงการไปแล้วเจ้าไหนทวงว่าขอโทษนะคุณเอาอะไรคิดเราโตเลยใช่ไหมคุณคุณขึ้นมาปั๊บเนี่ย ถ้าเราไม่เตือนตัวเองยว่าสถานการณ์จะแยกลงไหมมันจะแยกมากฉะนั้นเราต้องบอกตัวเองวนะ่าเอาแล้วนะเธอกําลังโกรธเธอกำลังตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายเตือนเองจบขาเบาๆนะไมงั้นก็สูดหายใจลึกๆสูดหายใจลึกๆจะนายดูเราก็ช่างหัวเขาเราสูดหายใจเพื่ออะไรเพื่อเรียกสติกลับมาเตือนเรงก่อนว่าสถานการณ์อันตรายแนละ้วนี่คือข้อสอง ก็ S <S <an> <S สามทำยังไงงดพูดเนี่ยคนหลอกคนสวยเนี่ยมากเลยนะเห็นไหมบางคนเป็นด็อกเตอร์นะเวลาโกรวจพยายามงดพูดนะคุณยำเคยเรื่องเก่งไหมถ้าตรวปั๊บความโกรธมันจะเหมือนสัตว์ร้ายตัวหนึ่งที่อยู่ในตัวเราเปน็นตัวหนึ่งสัตว์ร้ายตัวนั้นถูกขังกลวงแล้วพอมันโกรธบั๊บมันได้สัญญาณปล่อยออกจากกลวงมันวิ่ง มันจะวิ่งจากจิตใต้สำนึกของเรานะพุ่งท่านขึ้นมามันจะออกบางคนออกทางตานะตาที่เขียนคิ้วงงเลยนะตัวอ่หมโงมันพุ่งขึ้นมามันยาวๆทางตาเนะ่ะตาเรานี่จะโตเท่ากับบ้านตาเท่าตาปูไงเยนะคยเห็นตาปูไหะตาปูนี่มันใหญ่มากขนาดว่าเอาไว้ในตัวไม่ได้ต้องมาไว้ทางนอกดูสิบางคนมันออกทางไหน ทางเส้นเลือดมันจะปวดปนใช่ไหมปวดปนบางคนออกทางมือนะกมือกระดูกลัก่ น, นกรบแคบกรบแคบสันเกนปวดปนบางคนออกทางไหนทางเท้าเดินตึ้งตึงตึงต้งตึงต้งตึง้งชัดเจนเลยมันได้หักไวนะ้บางคนบางคนออกทางไหนเองบางคนออกทางฟันอบกรามก มันจะออกทางไหนก็ช่างมันมันไม่อันตรายเท่าออกทางปากยมว่าไหมเพราะหน้ามันออกทางปากนะนี่ยอมหน้าตาดียอมนั้นใส่สูตรถ้ามันออกทางปากแนละ้วคเร็วเท่านั้นละวงแปดจริงไหมใครชอบดูหลังเขาเลยบ่นทุเรื่องดา่าเสร็จคำที่ปากเขาอะยมอมยอมรู้ว่าจะพูดว่าอะไรซุ่งพระอาจาย์เขาไม่พูด ถ้ามันหลุดทางปากนะโยมเอติดเสียผู้เสียคนฉะนั้นต้องระวังอย่าให้มันออกทางปากพอมันพองโค้งที่ปากมันอยากจะพุ่มันทำหย่างกันกบอุ๊ปุ๊ปปุ๊ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ พัฒนามากเดี๋ยวนี้กิเลนมีการศึกษาเราได้รับการศึกษากิเลสก็มีการศึกษาถ้ะกิเลสชาวบา้านกิเลสปอ .4 นี่เวลาโกรธก็พร่งองออกมาเลยไม่มีประดิษฐ์ประดอยใช่ไหมจุดมาง่ายง่ายไม่ประดิษฐ์ประดอยพระกิเลสมองเริ่มประเนี๊ขึ้นกิเลสปริญญาตรีประนี๊ขึ้นปริญญาโทประเ น, นี๊ขึ้นกิเลสปริญญาเอกนิ่นมๆเลยนะ เธอคิดว่าคนอย่างฉันนี่ยไม่มีเซียวไม่มีเล็กใช่ไหมนี่แม่นี่ังสบายหูมนี่เเกี่ยะรประเอะไนะขอโทษนะคิดว่าเราจะคบกันแค่นี้ใช่ไหมโอเคงั้นวันนี้เราจบกันแค่นี้นะดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมนี่กี่อะไรปรเด็นอะไรเขาคุยกันนะอ แต่พูดอย่างนี้หละยยมเ อ, อ้ยข้าแข็งขึ้นมาพระเจผีไม่เห่างอมไม่อยยบเลยนะฉะนั้นอย่าปล่อยให้มันออกมาจากปา ก, ปากถ้าเราพูมออกมาปั๊บปากเราจะเป็นสวนสัตว์ป่าเาแอฟริก า, านะทั้งนมอดสวนดาวตี่เห็นมัน ตัวเงินตัวทองจอเจรเข้หิตโปงูเหลือมนะใจงวงสิเดือนแม่แรงสาบโยมเชื่อไม่มันจะพาเราออกจากปากเราแล้วหลังจากนั้นภาพลับที่โยมสร้างมาทั้งชีวิตจะเหลือั้ยบางคนเป็นแม่ครับเสยชุดขาว เจอหน้าพระอาจารย์เจ้าเครื่อวันนี้จิตยมวอมใส่เอากรมือยมกนหนึ่งไปไปฏิบัติธรรมนะกับพระปะ่าปฏิบัติอยู่สามวันจิตใสมากใส่ชุดขาวขึ้นไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อจิตยมใสหนึ่งมาสามวันเป็นดั่งหนึ่งน้ำในบึง เดียวกีว่าตอนนี้ภาวะจิตของโยมน่าจะอยู่ขั้นพระอนาคา ม, มีแล้วจิงนี้เดียวคืออรหรอันต์มีสี่ขั้นเดยมนะโสดาบันจากการาคามเมีอานาคา ม, มีอรหันต์นี่เธอประมาณจิตของตัวเองว่าสามวันนี้อานาคา ม, มีอนไมาหมดยี่สิบ ป, ปียังไม่ถึงไหนเลยนี่สามวันได้หาหลวงพ่อหลวงพ่อเจ้าค่ะ หลวงพ่อลองภาวนาดูซิว่าจิตโยมใช่ขั้นนั้นแล้วก็ ท, ทําเยอยี้ยวเอี้ยวใสหลวงพ่อหลับตาแล้วก็เริ่มแต่เออมันก็ดีกว่าหมานิดหนึ่งนะท่านั่นเองนะเดียวนะขามากราบสามครั้งขากับกราบครั้งเดียวแล้เดินลงเส้นตึงตึงตึงตึงึงหลวงพ่อก็เลยบอกพระอนาคามีที่ไหนยังโกรธอยู่เห็นไหมฉะนั้น บางทีเนี่ยเแต่งกายก็ ง, งามเชียดูจากข้างนอกเนี่ยโอ้โหเต็แต่หารูไ้ไหมว่าถ้าเรารู้ไม่ทันมันก็เผลดกรดแล้วทีนี้เจ้าความกรดที่มันหลุดออกมาจากทางปากนะมันจะทำรารเราทาลายเรานะี่ง่ายที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าแท้ที่จริงมันไม่ได้หลุดจากปากนะเดี๋ยวว่ามันหลุดจากไหนจิต ใจสำรักอะไรที่ยามปกติโยมไม่กล้าพูดนะ่ะมันเอาลงไปไว้ในห้องใต้ดินคือจิตใต้สํานึก <Okay. S 1> พอหลุดมาตอนโยมจะพูดยังดีนะแต่บางคนหลุดออกมาเึ็กว่า น, นั้นหลุดมาจากจิตไร้สํานึก <c oughs> จิตไม่มีสามจิตนะจิตสํานึกเนี่ยนั่งแน่ตลอดเนี่ยรู้ว่าเวลาพระมาจะต้องนั่งให้เรียบร้อย <c oughs> นี่จิตสํานึกมันจะสอนนะนะ <c oughs> <c oughs> จะต้องวางตัวยังไงจะต้องหนังยังไงจอเนื้อวางตัวไปหมดจิตสํานึกเรื่องอีกอย่างหนึ่งว่าจิตสตอรี่รเราไี่จะเส้นแสดงทุกเมือ่อให้สอดพร้องกับการาเล่นนะอีกจิตหนึ่งก็เป็นจิตไายสํานึกปกติไม่ออกมานะแต่ตอนโกรธออกมาตอนเมาออกมาตอนเพ้อเพราะป่วยไข้จะออกมาทีนี้จิตนี้สํานึกหนักกว่านั้น ตอนไหนออกมาตอนขาดสติขั้นรุนแรงเพราะขาะสติยังรุนแรงปั๊บถึงขั้นที่ว่าดึงเปินออกมาแล้วลั่ น, นไกเปรี่องเนี่ยยิงคนอื่นได้น่ะอันนั้นจิตไรสํานึกตัวออกมาทีนี้ถ้าโยมโกรธถึงขั้นที่ว่าจิตไร้นตกมันพุ่งออกมาทางปากนะโยมอันตรายมากดังนั้นเวลาโยมโกรธโยมต้องระวังนะถ้ามันจะพูดออกมาก็ให้มาเฉพาะระดับจิตสํานึก บอกเพื่อนบอกเพื่อนเราที่อยู่หน้าน้องน้องไปก่อนได้ไหมตอนนี้พี่เริ่โกรธล้ว <c oughs> คือเราต้องส่งสัญญาณนะถ้าเราโกรธเราต้องส่งสัญญาณคนใกล้ๆนะใกล้ๆนะเออถ้าเราไม่ส่งสัญญาณนบางทีก็ไม่รู้นะเแต่บางทีเรากลับมาหายใจเพราะเราเตือนได้เนี่ย คนที่อยู่นงนไม่รู้ว่าเรากำลังโกหใช่ไหมเธอทําอะไร <laughs> กลายเป็นแม่มาช่วยเรานะ <laughs> าะนี่เขาประชุมอยู่แล้วยเธอยังมนงานั่งเจริญสติหรอ <laughs> กลายเป็นแม่มาช่วยเรา <laughs> ฉะนั้นที่ดีที่สุดนอกจากเตือนเลยปั๊บเราต้องบอกเขาเตือนว่าฉั น, นกําลังควบคุมเองไม่ได้นะมันรดอนย้งนน้อเปิดไฟแดงนะเปิดแซรนเลยน้องน้องออกไปก่อนอันนี้พียากันไม่ดีล่ะ <laughs> <laughs> พ่อพออกไปก่อนได้ไหมหนูหูเริ่ม รู้สึกไม่ดีกับพ่อแะอย่าให้หนูรู้สึกแยกมากไปกว่านี้คือพ่อเนาะหรือพระอาจารย์ไดบอกสามีพี่โอเคคุณทนแค่นี้ได้ไหมพี่เสงดังมากไปแล้วนะถ้าไมากกว่านี้น้องไม่รับประกันนะนะคือเราต้องเตือนเตือนคนที่อยู่ข้างเราให้รู้ว่าพายุทอร์นาโดพายุใซโคลนพายุดิเปเรชั่นกำลังก่อตัวพอคลุ่นรอบข่างตระหนักรู้จากการพูดของเรานะเขาก็ระมัดระวังใช่ไหมจากนั้นเราก็งดพูดเลยนะ คิดเสีงคิดมาจากมีไหมพอเราไม่พูดเนี่ยอะไรอะไรที่มันควรจะออกมามันก็ไม่ได้ออกใช่ไหมดีขึ้นไหมเอาไปใช้ด้วยนะแต่โยมทำงานร้านอาหารไทยเนี่ยกำลังผัดหมุลุงอยู่เนี่ยโรค้าตะโกนอยู่เนี่ยมันกำลังเปิดขึ้นมาเว <c oughs> <c oughs> ลาโยมไปเสิร์ฟแล้วโยมแ ม, มป้ปากไวอยากให้มันหลุดพ อ, อ, อกมานะเสีย <c> ช <oughs> ื่อนี่เอาต่อไปก็สี่ให้งดตัดสินใจนะ อย่าตัดสินใจอะไรในช่วงนั้นเพราะมันจะเป็นการตัดสินใจที่ได้ประสิทธิภาพเคยเห็นคนตัดสินใจตอนโกรธไหมเลยพ่อลกทะเลาะ ก, กันลูกบอกว่าทั้งนั้นผมออกจากบ้านแล้วกันพ่อบอกแกไม่จริงแกไปสลูกกระโดนขึ้นรถแล้วขับออกไปปั๊บจากสถิตนะเลยมากลูกที่ทะเลาะ ก, กับพ่อแม่แล้วขับรถออกไปในในาทีที่กําลังโกรธมักจะประสบอุบัติเหตุแล้วตาย ถาาทำไมตายทะลุเกว่าทาอย่างนี้แล้วสะใจพ่ออยากให้ตายใช่ไหมตายให้ดูหารูไ้ไหมว่าคนเราตายได้ทั้งเดียวทําอย่างนั้นเพื่ความสะใจของพ่อของตัวเองอันละมาถามว่าแล้วคุณจะกลับมาแก้ตัวได้อีงเมื่อไรมันไม่ได้ตายแล้วตายเลยนะมันไม่ใช่ลอตโต้นะทิ้งวันนี้ผิดแล้ววันหน้าจะแทงใหม่ใช่ไหม เพราะฉะนั้นพบกันขึ้นมาปั๊บอย่าตัดสินใจอะไร <AR C TI AN> เพราะมันจะทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดีที่สุดก็คือชะลอสถานการณ์ไปก่อนจนพรรยาท้าทายให้เซ็นเช็คสามียังเพมเซ็นอ่ะวันนี้โกรธนะห <AR C TI AN> รือเอาภรรยาท้าทาให้เซ็นยาอยไรเพิ่มยาเพาอิเพอม ย, า, า, อยาตอนนั้นนะเ <AR C TI AN> พราะเซ็นเนลวลาเดียเซ็นหายใช่ไหมต้องงดตัดสินใจไปก่อนอย่าตัดสินใจเรื่องสำคัญสําคัญในขณะโกรธ เอาประเด็นดี่ะให้พาเองออกมาจากสถานกะทีนี้วิธีออกจากสถานการ์ยาพืนฐานออกมานะชันกําลังโตกันอยู่ดีเนี่ยติดประตูเแ็จหน้าเขาตั้งนองอมาเลยเนะี่ยเดี๋ยวมากจะดีขึ้นไหมไม่ไดีหรอกอีกปาจะรู้สึกว่าถูกท้าทายมันจะตกประตูตั้งๆๆจะไม่เปิดน้ำทิศทิศถ้าไม่เปิดมันจะถองเดี๋ยวมันจะถองไหม ท้องก็คือมันจะเดินออกมาไกลๆแต่มันก็จะเอาไหล่จนอึมเขาเรียกท้องนั่นแหละถ้าท้องไม่ดีแล้วมันยังไม่เปิดมันจะทุ่มทุ่มทาําไงมันจะมองหาเก้าอี้มองหาเฉลกฉลังรางัง้นแล้วเข้าไปทําร้ายคนได้อยู่ในฉะนั้นเราต้องออกมาจากชา้นฉลาดจะไปท้าทายเขาบอกเขาว่าเออพี่ทำ ตนนี้ผมรู้สึกไม่ดีเล้วขอผมออกไปข้างนอกได้ไหมนึกออกไปอย่างนี้สิแล้วป่านนะอาจจะออกไปที่ขั้นพอดีผมต้คุณโทรศัพท์แป๊บหนึ่งก็ได้นะหาวิธีออกไปให้นุ่มๆ น, นะอือบอกเขาก่อนบอกเขาก่อนให้เกียรติเขาก่อนสมมติวเราประชุมอยู่แล้วโดนเนียเราก็ต้องบอกเออท่านครับผมขอไปข้างนอกแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ลุกขึ้นโคงแล้วก็ออกไปแต่ถ้าลุกผุนผันุผุนผันออกไปแล้วจบต๊ะ ลูกไปในโยมเชื่อไหมสถานการณ์ดีขึ้นไหม mm hmm. เขาจัดการหอยโยมเลยว่าคนคนนี้มีปัญหาเรื่องการจัดการอารมณ์ให้เป็นผู้บริหารไม่ได้ mm hmm. เห็นนะคนจํานวนมากนะที่เป็นมือทํางานเก่งๆอ่ะไม่สามารถบริหารจัดการอารมณ์ในที่ประชุมได้ถูกเจ่าหน้าที่กาหอยแล้วไม่ได้เลื่อนขั้นเลย mm hmm. ไม่ได้เลื่อนตำแหน่งด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่าอาการอย่างนี้ถ้าให้เป็นผู้บริหารเนี่ยองคอ์กรองคอ์กรลมเช่น hmm. ฉะนั้นเราก็อขอตัวออกมางเงียบๆเช่นพระอาจารย์กําลังเทศอยู่นะยมอาการไม่ดีแต่ยมไม่ต้องคลานมาบอกพักมนะไม่ใช่คลานออกมาข้างนอกอาจารย์เจ้าค่ะยมรูไม่ชอบที่พระอาจารย์โทดเลยออกไปข้างนอกนะคะไม่ต้องประชารตัวเองขนาดนั้นยมเพีงแค่บอกเพื่อนว่าฉนันขอออกไปข้างนอกนะคะแต่เงียบๆ นะอย่าให้มันลุกคลามแล้วก็รุนแรงไปอย่างสุภาพสุภาพสถานการณ์ก็จะดีขึ้นทีนี้พอเราขอตัวไปแล้วทำยังไงไปหาที่ที่มีน้ำเย็นๆนะเข้าไปในห้องน้ำเอาน้ำมาล้างหน้าล้างตาตบกระม่อมตบทอยๆนะแล้วต้องไปส่งประจกด้วยนะ เพราะบางคนเนี่ยตบตเสร็จแล้วเดินเข้ามาในห้องประชุมบางคนห่างคิ้วไม่เท่ากันน้ำมันลบไปข้าง่งบางคนน้ำไหลผ่านหน้าผากเป็นทางเลยอย่างน้ำพุ่งน่ะนะมันบางพี่สร็จแ ล, โล้วลอน้ำเป็นเี้ยน้ำไหลผ่านกลางแล้วโยงแต่งหน้าไว้หนาตึกตอนเช้าแต่ก็ห้องน้ำแล้วอาน้ำตบตสรแล้วน้ำมันไหลผ่านหน้านอนมันหน้าถูกแยกเป็นสองเส้นแล้วเรข้าไปนั่งประชุมถายหน้านะ พอเราก็ไปในห้องน้ําเนี่ยล้างหน้าล้างตาจะสดชื่นขึ้นน้ํานี่จะทําให้เรามีสติเชื่อไหมน้ำทําให้เรามีสตินอ้ฉะนั้นเวลาหมากัดกันเนี่ยทําไมเขาถึงเอาน้ําสาอ่ะแต่คนกัดกันไม่ขอแนะนำนะไม่ใช่คนกัดกัน เ, เอาน้ําไปสาเปล่งเย่ยคนสาดนั่นยจะเอาตัวไม่รอดคนต้องปฏิสัมพันธ์อีกแบบนึงเดี๋ยวน้ำไปสา ให้เราออกมาแล้วก็ห้องน้ำล้างหน้าหลางตาแล้วก็เป็นนั่งในห้องน้ํานั้นถอนหายใจหายใจเึื้อๆเดี๋ยวสักพักก็ดีขึ้นแล้วใช่ไหมจากนั้นก็เจนให้พูดด้วยปียาวาจา่าจับเข้ามาหาคนที่กําลังโกรธกับเร า, เาพี่ครับผมว่าวันนี้เราคงคุยกันไม่รู้เรื่องเอาไว้พรุงนี้ไหมเพื่อย่างนี้ยอมว่าคนที่ทําให้เราปวดใจรู้สึกดีไหมนี่คือปียาวาจา่า วาจานั้นมันมีสองสามวาจานั้นหนึปิยะวาจาพูดพูดแล้วเนี่ยทําให้เราเป็นคนน่ารักปิยะแปลว่าน่ารักปิยะวาจาแปลว่าพูดอย่างคนที่น่ารักเขาพูดกันเขาดูวิธีที่จะพูดแล้วมันกลายเป็นปิยาวาจาคือคําพูดที่ไพเราะคราะฟึ่งเดินก็ไปหาคนที่เราก็อลูกลูกอย่าพึ่งไวๆอะไรตอนนี้ได้ไหม ตอนนี้แม่ความดันขึ้นแล้วเอาไว้พรุ่งนี้ก่อนนะลูกนะอย่างนี้ก็ได้อย่างลูกมาขอไปเที่ยวเนี่ยลูกขอไปฝรั่งเศสแม่แม่าเพิ่วุวายถ้าแมอาการไม่ดีแม่ต้องบอกลูกอย่างปีแอวาจ่ะลูกเงินมันหายากนะลูกแต่ลูกก็ยังยืนยันอยู่นะแเราก็ต้องไรหวังนะลูกเอางี้ลูกได้ไปแน่แต่ลูกต้องช่วยแม่ทำงานได้ไหมลูก ถ้ายังไม่ดีขึ้นก็บอกว่าโลกงั้นพวกนี้เราค่อยคุยกันใหม่ได้ไหมนี่คือติยาวาจาสองพรุตต ว, วาจาจะจะไปฟุลเศษเหรอฉันอยู่ลอนดอนเจปีฉันยังไม่ได้ไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าตรามใดฉันไม่ได้ไปก็ยัฝันว่าจะได้ไปเนพรุรวมาจาคือวาจาให้แฝงแ้วหมูอย่าพูด อันตออรายมาฉะนั้นเราก็ต้องพูดด้วยปิยบ า, าจ า, สารสถานการ์ทั้งจะดีขึ้นมันจะประคั บ, ป ร, คบประคองทุกอย่างไม่ให้เลวร้ายมากเกินไปเอาอ 8, เพ้แปดเคลื่อนย้ายพลังงานความโรากรธจัตโรงแรมเนี้จะมีสายร่ำฟ้าอยู่ข้างบนใช่ไหมตึกสูงๆโดมสูงๆจะมีสายร่ำฟ้าฟ้าแบบเปลี่ยนลงมาในพลังงานไฟฟ้าถูกถ่ายโอนลงสายดินใช่ไ <c oughs> ไปถึงแต่ดินอันตออไรายไหม ก็ไม่อันตรายแต่ถ้าไม่มีสายล่อฟ้าเนี่ยต้นใหญ่ๆเวลาฟ้าผ่าเปรี้ยงพังไหมเคยเห็นต้นไม้ใหญ่ที่ถูกฟ้าผ่าไหมไ่ไหม้เลยจนเป็นเด็กธรรมภาพเคยเห็นฟ้าผ่าที่บ้านกอไม้ไผ่สีสุกไม่มูลคนะขึ้นต่อเนื่องกันเป็นพืชเลยกว่าห้าหสิบต้นทั้งก่อนตอนหนึ่งพายุมาแล้วก็ฝนตกฟ้าผา่า ยอมเชื่อไหมไฟทั้งก่อห้าหกสิบตนไฟไม่ทุบเดียวสิบนาทีเรียบอดามายืนอาจจะจันใจว่าโอ้โหพลังงานไฟ ฟ, ฟ้านี่มันขนาดนี้เลยอมีแม่คนที่ดูกฟ้าคนนีูกดดฟ้าผ่าเยถึงตายขาที่ยอมเชื่อไหม ถ้าไม่เชื่อยอมลองพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วจับมาเล่าให้ฟังเนี่ยพลังงานอ่ะมันพลังงานไฟฟ้ามันขนาดนั้นเช่นเดียวกันพลังงานความโกรธก็ปานนั้นถ้ามันโกรธขึ้นมาปับ๊บถ้าโยมจัดการหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเราอาไม่อยู่นะมาถึงก็เปิดเคลื่อนย้ายพลังงานความโกรธทายัางไงพอมันโกรธขึ้นมาปับ๊บปลุกไปเข้าห้องน้ําเลยนะล้งห้องน้ำโกรธมากใช่ไหมขับเลยขับแรงหนังขับแรง นี่ให้ขัดขัดหดขัดพื้นก่อนจากนั้นขัดจะครบนะขัดจะครกยังไม่หายขัดเพดานนะถูนแรงๆขัดแรงๆสักสิครั้งสิผลพลังงานความโกรธนั้นมันเป็นมวลแห่งพลังงานที่มีอนุภาคมากนะโยมนะมันคือต้นเบิร์ดอชีพลูกหนึ่งดีๆเนะเพราะว่ามันหลุดออกมาจากข้างนอกปุ๊มนันอันตรายมากฉะนั้นโยมหาอะไรทมมาาําสิโยมันจจะซักผ้าก็ได้นะเข้าไปในห้องนอนหรือเตียงจัดเตียงใหม่หมดก็ได้นะ เข้าไปในห้องน้ำรับห้องน้ําก็ได้เข้าไปในครัวเอาเลยนะพอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนะหอมอยู่ตรงนี้กระเทียมอยู่ตรงนี้โคลสิหลับตาได้นะสภาพหนึ่งสถานการจะดีขึ้นเพราะอะไรพลังงานถูกถ่ายเทมันออกมาแล้วอันตรายมันลดลงแล้วฉะนั้นลองดูนะไม่ขอแนะนําให้ไปถ่ายเทพลังงานกับคนอื่นเพราะอะไรมีแต่เสียกับเสีย แต่ายเทพลังงานกับอะไรก็ได้ที่จะทําให้เราไม่เป็นอันตรายอาดมาแนะนําให้ทํางานออดีเรกนะครั้งหนึ่งอาตามาเคยโกรธนะเมื่อนานมาแล้วอาตามากลับว่าสิ่งแรกที่อาดมาทําคือรื้อตู้เก่าๆอัลบั้มรุ่นเก่าๆตั้งแต่ทําเป็นเด็กพังลงมาเรึ้สูงกองข้าหัวเขาที่ดู น, นี้สิปีที่แล้วอายุแค่ยีย่ิบต้นๆอัลบั้มเยอะขนาดนั้นนะแล้วอาดมาทําอะไรอาจะมาเอารุ่นเก่า สมัยจบพอหเพื่อนเขียนเฟรนช์ชีพให้เอมันเขียนไปได้ไงเช่อเลเอามาอ่านนะโยมอ่านที่เมื่อนเขียนหรือเราแล้วเราเขียนหนึ่งเพื่อนโอ้โหอย่างเพื่อนคนหนึ่งเขียนนิยามรักนะความรักหมายถึงการที่เราได้ไดรักใครสักคนนะึงไม่จำเป็นต้องรบครองก็ได้อาดามารู้สึกอยากจะอาเจียนมันจะเกล้เีาหลีนะมันนิยายนำเนาใช่ไหม เพราะไม่อ่านเจออย่างนั้นอาตมายินได้นะแล้วโลกทั้งโลกของอาตมาถูกดูดให้กลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วอาตมารู้สึกเหมือนเป็นเด็กปรหกที่กําลังวิ่งเล่นอยู่กับเพื่อนอยังเชื่อไหมในหนึ่งชั่วโมงนั้นความโกรธไม่เหลือสัติมันหายไปเลยทั้งทั้งที่ก่อนหน้านั้นอาตมาปวดหัวมากนี่ไ ง, องเอาได้เพีความโกรธไปกับงานอดิเรกของเราพอผ่านไปหนึ่งชั่วโมงอาตมาจําไม่ได้ว่าจะมาโกรธนากน้าจะหะ ยอม็นไหมฉะนั้นนะ้ายอมโกรธขึ้นมานะายอมยมกลับไปบ้านนะ่ะมององานอนดิเรกที่เราเคยรักเคยชอบยมชอบทําอะไรที่สุดชอบทาอาหารก็ไปทําอาหารชอบทำความสาดก็ทําความสะอาดอยากจะล้างห้องน้ําำยมก็ล้างห้องน้ำ<ม>เงินเยอะนัก <c oughs> ใช่ไหมดึงออกจากเต๊มันนับเลยซื <c oughs> ้อทองเก็บไว้เยอะก็ทองมาใส่นะใส่เต็มคอเลยแล้วก็นั่ง เด็นยสามีกลับจากที่ทํางานเปิดเข้ามาคิดแบบพักประธานนั่งอยู่บนเตียง น, นี่เราต้องหายเทความโกรธอย่างนี้เนี่ยมันไม่ยากเลยแต่ถ้าถ่ายเทไม่เป็นนะต่อให้มันหลุดจากทางปากโยมก็ด่าเขาเดือด่อให้มันหลุดจากทางมือโยมก็ต่อยเขาเดือดใช่ไหมอันตรายมากเอาต่อไปเก้าวใหบายความโกรธด้วยการเขียนออกมาอย่างตอนมาคิดถึงสเติจอบแล้ว ไม่น่านเชื่อเลยอายุห้าสิบกเขาตายแล้วะ่จะจำได้ไหมอาจารย์มาถึงขั้นนอนไม่หลับอ่ะเพอรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณเขาเนื่องจากอาจามาเขากเขียนบทความด้วยคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปลของเขาใช้ iPad ที่เาขาก็เล่นโทรศัพท์ด้วยโทรศัพท์ยี่ห้อไอโฟนฉันอาจามารู้สึกว่าฉันนอนไม่หล่บตัดสินใจลุกมาเขียนบนเขาเขียนมาเขียนไปได้ยี่สิบหน้าตอนนี้กาลังส่งไปแปลเป็นภาษาเป็ดเ <c oughs> ดี๋ยวรอดูนะเร็วๆนี้ ได้อ่านแน่นอนเชื่อมัพอตะมาเขียนหนึ่งขอฝั่งเมื่อคื น, น, นตะมาถึงนอนได้หลับสนิทตะมารู้สึกว่าสิ่งที่มันอัดอั้นอยู่ในใจได้รับการถ่ายเทออกมาเพราะทุกคันมีเท่าไอเสียเราทุกคนคนมีเท่าไอเสียไหมต้องมีนะเออคิดมาคิดไปแล้วหนึ่งก็น่าคิดนะไอโฟนไอพอไอไอเสียยังไม่มีใครทำ <laughs> ไม่เร็วนะโยมเขียนมานะยโยงกดใครอะ เขียนมันจะด่าไงก็ได้นะเสียนเลยเแต่เช่งไงก็ได้เช่นเ ข, ข, ขียนเขแต่เขียนเสร็จแล้วอย่าส่งไปให้เขาส่งไปให้เขา <laughs> พอมันได้ายออกมาเสร็จแล้วทํายังไงแนะนำสองอย่างหนึ่งจุดกระดาษจุดไปเผากระดาษแล้วโยมจะรู้สึก ด, ดีขึ้นสองฉีกเป็นชิ้นๆโยลงชักโครกแล้วกดอาการโยงจะดีขึ้น อันดามาเืยทดลองเราได้ผลเนหะ็นไหมได้ผลมาโล้ทุกกันมีน้อยเสียคนทุกคนก็ต้องมีช่องระ บ, บายอารมณ์เสียนอกจากเขี่ยแล้วทํายังไงคุยแต่ยมต้องคุยกับคนที่ไว้ใจได้นะเรามีเพื่อนรักใช่ไหมเคยมีเพื่อนรักไหมเพื่อนชังมีไหม <c oughs> เพื่อนในเรา่องหรืเรื่อยามีไหมโทรไปหาเพื่อนรัก ฮัลโหลว่างไหมต้องถามเขาก่อนนะเพราะเราจะพูดยาวอ่ะแต่เขาไม่ว่างให้เปลี่ยนคนอตรมานี่เจอประจามโยมครั้งหนึ่งโยมสองตามีภรรยาทะเลาะ ก, กันนะแล้วภรรยาก็วิ่งเข้าห้องกดโทรศัพท์ถึงอดามาแล้วเปิดสเปกแวร์โผล่อาจารย์อาจารย์เป็นพยานด้วย <laughs> มันจะตกยมงแล้ว คือพูด ก, กับพระเพื่อให้พระเป็นพยานว่าอย่างน้อยก็มีคนที่สามรู้เรื่องใช่ไหมอัตามาก็คิดในใจว่ามันเรื่องอะไรของอัตามานี่คือคือคุณยมคนนี้ก็ทําดูแต่คือระบายไงอย่างน้อยถ้าตกอยู่ในสถานาการณ์อันตรายการที่เราพูดออกมาเนี่ยเพื่อนเราจาาับตําแหน่งได้ใช่ไหมเช่นเราทะเลาะกับสามีรุนแรงเขาระบายให้เพื่อนเราฟังตาจะบอกว่าเธอจะมากินข้าวกับฉันได้ไหมอุย้ยฉันไม่ว่าหรอก เดี๋ยวเขหลุดออกมาล้วถ้ามากินข้าวกับฉันมื้อเดียวแล้วฉันจะไม่ขออะไรนี่คนมีจริงนนักศึกษาในเมืองไทยเทะเลาะกับแฟนขั้นรุนแรงแต่เธอไม่รู้จะทํำยังไงแล้วก็เลยโทรศัพท์ไปหาเพื่อนนั้นให้ด้วยเรามากินข้าวเพื่อนบอกนีม่มันตีนหนึ่งนะฉันไม่ไปเธอก็เลยบอกว่าฉันจะขอกินข้าวกับเธออีกครั้งเดียววันแค่นี้เราวางหูนะโ ย, ยมนะนักศึกษาคนนั้นกระโดดถุงลงจากเตียงเลยนะขับรถมาที่หอเพื่อน รู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นพอมาถึงได้ยินเสียงเจ้าอี้ล้มพอเดปเปิดประตูพวกเข้าไ ป, ไปเธลังพูดขอตายฉะนั้นเวลาที่ใครก็งคนหนึ่งโปรดแล้วเขากำลังระ บ, บายกับเรานะให้เขาระ บ, บายนะแต่โยมระวังว่าจะระบม <c oughs> เพราะสิ่งที่เขาระ บ, บายก็คือระเ บ, บิดใช่ไหมใช่ <c oughs> อาตมาแนะนําให้เราทําตัวเป็นถังขยะที่ก้นรัว่วคือเขาได้ใบเลยนะแต่เราจะ back. แบกกระถมก้นรัว่วถังขยะ ก, ก้นรัว่วเขาได้ใบมาระบายมาเร า, าก็ฟังฟังเราก็ค่ะค่ะค่ะครับค่ะเ อ, อิค่ะค่ะ <c oughs> แค่นี้พอนะ้ไม่แนะนําให้ผสมโรงเพราบางคนนะ่ะเ <c oughs> พื่อนโทรมาระ บ, บายเลยนะพอเพื่อนโทรมานี่ ฉันว่านะอย่างนี้จะต้องจัดการประเด็นกัดเธอว่าไหมทางนี่เรื่อมตัวตใช่ฉันว่านะยังต้อยไปถ้าอย่างนี้ปั๊บขนมคอยสมน้ํายาอันตรายกว่าเดิมใช่ไหมฉะนั้นเราต้องเป็นผู้ฝั่งที่ดีเอาแค่ค่ะอืมอใช่อื ม, ออมพูดแค่นี้พอแล้วยากมากไป คือเรื่อเขาได้พูดได้พูดแล้วเราก็เป็นผู้ฟังที่ดีที่ดีที่ดีดแค่นั้นพอสักครั้งหนึ่งสถานการณ์เขาจะดีขึ้นยอมเชื่อไหมยอย่างเพื่อนอาตมาเนี่ยเขาเป็นพระโกรธโยมมรคนายกวะคือจะจัดพระป่าแล้วมรคนายกเนยอยากเอาวงดนตรีลูกทุ่งมาแสดงล้อมห้ากเก็บเงินฝันว่าจะได้เงินกันห้าแสนแต่พระไม่เห็นด้วยเพราะว่าเคยทําแล้วเต็มที่เนี่ยรู้ไหมพระป่ามาทอดเน่ยแล้วเราก็จัดดนตรีร่วมด้วยใช่ไหมเอานักร้องมาด้วย จ่ายค่านังร้องไปแสนหนึ่งจังรู้ไหมเจ้าภาพอเอายอดพระปรามาจากกรุงเทพเท่าไหร่ห้ามืนและเก็บบัตรได้เท่าไหร่หนึหมื่นสองชาบ้านนอกไม่มีใครที่จะไปจ่ายเงินร้อยสองร้อยหรือห้ารอยเพื่อที่จะดูคอนเสิร์ตชาวบ้านก็ไม่สนใใช่ไหมชาวบ้านไม่มีกำลังซื้อท้านมาคุยกับมรรคนายกมรรคนายกก็ยืนยันจะจ่ สุดท้านก็มืยกันเป็ดปั๊มมรณายกไปทาำท่านไปทางท่านโทรสภาธรรมะพรุ่งนี้ผมจะเปิดประชุมแล้วผมจะอัดมคณายกปลางโบสถ์เลยเล่ะอต า, าตมาก็รู้เพื่อนโกรธใช่ไหมไปเลยถามว่าแล้วท่านจะอัดยังไงอ่ะลอ่อท่านให้ปล่อยของท่านพูดท่านพูดออกมาครึ่งชั่วโมงนะอนตาตมาบอกว่าสาธุเดชะบุญนะที่ท่านโทรแล้วจับมาหาผมก่อน ทำไมเพราะถ้าท่านพูดอย่างนี้ท่านคิดพรุ่งนี้จะไม่มียมเข้าวัดอีกเลยเพราะคำพูดที่ท่านเตรียมไว้เจ็บแสบทั้งหมดเลยยิ่งกว่ากินพริกแล้วก็ไปพ่นใส่เพื่อนเห็นไหมยมฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะกระบายนะเลือกคนที่จะฟังเรายมังมีคนที่รักโยมไหมเพื่อนแท้ที่รักเร า, เ, ราเพื่อนที่เวลาเราทุกเขายินดีที่จะนั่งข้างเราแล้วก็ปล่อยให้เราร้องไหนะ้แล้วเขาก็รูบหลังเรา ดีไหมก็นี้เวลาเรามีความสุขเขาก็รวมเสึกมีทุกข์ก็รู้สึกด้านมีไหมเพื่อนอย่างนั้นแหละถ้าเราจะระ บ, บายกับเขาได้อยร่ระบายเลยนะร้องไห้ก็ได้พูดไปทั้งหมดพอพูดเป็นสักพักหนึ่งนะถ้าเรากำลังจะทําร้ายจริงนะถ้าเพื่อนมีปัญญานะเขาจะมาเป็นเพื่อนเา่าแต่ถ้าเพื่อนเราโง่ก็ทางใครทางมั น, <c oughs> นเช่นโยมโทรศัพท์ไปบอกข <c oughs> ึ้นมานอีกเข้ากับชั้นหน่อยสิฉันขอแก้ไขสุดท้าย น, นี่เพื่อนมันติดซีรีส์เกาหลีใช่ไหม <c oughs> เอาไว้พรุ่งนี้ค่อยไปจัดูหนังอยู่ถ้าเดี๋ยวนี้ตายแน่เพื่อนโยม <c oughs> <c oughs> ฉะนั้นเวลาที่ใครเมื่อโกรธนะเขาจะจับมาหาเรอเราเนั่ยเราต้องระวังจับสำเนียงให้ดีว่าเขากําลังสื่อสารอะไรกับเราพ่อที่พูดกับเราแม่ที่พูดกับเราตอนโกรธสามีภรรยาหรือลูกที่กําลังพูดกับเราตอนนี้เขากําลังโกรธยมจับสำเนียงให้ดี บางครั้งนั่นคือสัญญาณอันตรายซึ่งถ้าเราจับจำเนียงได้อย่างมีสติปัญญาเราก็จะกู้ชีวิตเขาได้จากวันนี้เป็นต้นไปเวลาใครโทรศัพท์มาระ บ, บายอะไรนะฟังให้ดีๆนะฟังให้ดีๆเขาก็อยู่ในนั้นโชคก็อยู่ในนั้นนะบางทีโยมอาจจะเป็นคนสุดท้ายที่ได้คุยกับเขาในโลกนี้ใช่ไหม แล้วหลังจากนั้นพอเขาตายปั๊บโยมจะถูกตำรวจกันเป็นพยานฉะนั้นฟังดีๆอย่าให้เขาทำร้ายตัวนึ่งเขาฆ่าตัวตายเพราะ้าเขาฆ่าตัวตายปุ๊บโยมจะต้องไปเป็นพยานแนละ้วศพก็เผาไปแล้วแต่โยมยังจะต้องขึ้นโรงพักอีกนานเลยแหละใช่ไหมเนี่ยมันอันตรายมากก็หาที่ระบายนะพระจะแนะนำว่าให้เขียนระบายนะไม่เป็นมิตไม่เป็นภัยกับใครหรือไปในที่โลง่งแจ้งนะตะตะโกนดังๆนะตะโกน แต่โกนชื่อฮอบมามไม่ต้องไปหาต้นกล้วยก็ได้นะเอาปากกาเม้จิ๋ววาดรูปโชคต้นกล้วยอย่าไปหาผนังปูนนะอันใดแล้วอย่าไปปาข้าวปาของเจนะเสียดายซุปเปอร์เว่อกเรือนทั้งหลายนะี่อย่าปาเลยนะเสียดายต่อไปข้อสิบสอนเต็มว่าเราเป็นติตตถาคนตถาคต เป็นสัพนามของพระพุทธเจ้าเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าสอนเราว่าจงมีขันติใช่ไหมอดทนทนไม่ได้ทนอดอดทนทนอดอดทนทนอดอดทนทนอดอดทนทนอดพูดไปเรื่อยๆนะพูดไปเรื่อยๆมันจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดขึ้นพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเธอเป็นลูกศิษย์ของฉันและเธอโกรธตอบคนที่กำลังโกรธเธอนะ เธอแย่มากแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าใครก็ตามกําลังทําร้ายเธอต่อให้เขาเหล่านั้นเอาเลื่อยซึ่งมีที่จับสองข้างเคยเห็นไหมที่เอาเลื่อยไม้อ่ะเอาเลื่อยซึ่งมีที่จับสองข้างมันเลื่อยลําตัวเธอดึงใจดึงมาดึงมาดึงไปเจ็บแค่ไหนแคนแค่ไหนเธอต้องไม่โกรธ ถ, ถ้าเธอโกรธเธอไม่ใช่เศรษฐาคต พระพุทธเจ้าสอนให้เราอดทนขนาดนั้นนะยอมเคยทนอะไรขนาดนี้ไหมกลับไปบ้านนะถามสามีพี่มีเรื่อยไหมจะลองไหนี่คุณต้องอดทนถึงขนาดนั้นตอนให้ทำอะไร้เราถึงชีวิตพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอย่าโกรธทาไมถึงไม่กดเพราะถ้าเรากดเท่ากับว่าเรากำลังจุดไฟเผาตัวเองนะอีกประเด็นหนึ่ง ผู้ดงบอกว่าบางครั้งคนที่เรากำลังโกรธ ด, ด้วยเขาอาจจะเป็นญาติของเราพต่ผู้ดงบอกว่า together we are one แตทุกคนนี่คือครอบครัวเดียวกันเนกะิดคนละที่เท่านั้นแหละมนุษยชาติทั้งหมดคือครอบครัวเดียวกันเราเป็นมนุษย์เหมือนกัน แล้วในวัฏจักรแห่งการเรีนยนบ้าใจเกิดอันยาวไกลในสมสารวัตในสมสารวัตไม่มีใครรู้ว่าเราอาจจะเคยเป็นพ่อแม่ลูกกันมาก่อนแล้วใช่ไหมแต่พระเจ้าจบอกว่าถ้าเรากําลังโกรธใครและกําลังทําร้ายใครเป็นไปได้ว่าเรากําลังโกรธและทําร้ายบุคคลที่เรารักบางครั้งคนที่เรากําลังชกหน้าเขาเมื่อสิบชาติที่แล้วเขาคือพ่อเราท่านนั่งทำไม่ชินกลับไปได้ยอมจะเห็นว่าโอ้โหในวันนี้ฉันชกหางพ่อแล้วนะใช่ไหม ภรรยาดีกําลังตกสามีนะ่ะบางทีสามีคนนั้นอาจจะเคยเป็นอดีตแม่เราพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอย่าทำร้ายใครเลยไม่มีใครที่คู่ควรแก่ความโกรธของเราหรอกถ้าเรามองอย่างนี้แล้วก็บำเพ็ญขันติธรรมถึงขนาดที่ว่าต่อให้เอาเลื่อยที่มีที่จับสองข้างมาเลื่อยตัวเราเราก็จะไม่โกรธ ให้ภาวนาอย่างนี้สอนเราอย่างนี้อยากให้เสียชื่อพระพุทธเจ้าอยากให้พระพุทธเจ้าต้องได้ไอายเราเป็นลูกศิษย์พระองค์ท่านถ้าเราโ<ม>กดง่ายๆ่ายอย่างนั้นมันเสียชื่อมากข้อเสด็จพิจารณาความเกี่ยวข้องกันในสงสารวัตรวันนี้นั้นตามหลักพุทธศาสนาถือว่าเราเียนว่าตายเกิด ตามใดที่ยังไม่หมดกิเลสเราก็เวียนว่าตายเกิดอย่างนี้แหละการที่เราไปโกรธคนนั้นไปแค้นคนนี้อยารู้ไหมถ้าเราปล่อยไม่ลงปลงไม่เป็นนะมันท่ามพบข้ามชาติไปกับเราใช่ไหมเชื่อไม่เชื่อให้พิจารณะคนบางคนนะน้อง น, นะไม่เคยรู้จักเขาไม่เคยทะเลาะกันแต่จู่ๆเ้าเดินมาเรากลับไม่ชอบเขาเคยเห็นไหมเคยีเปิดโทรคั์ไปดู เห็นหน้าแกันบางคนเรปิดหนีเลยนะไม่ชอบเราเห็นแต่ราบางคนเราโยนหนังสือดิมทิ้งเลยที่เป็นข่าวอยู่เราเห็นเพื่อนเราบางคนนั่งเรียนหนังสือด้วยกันในห้องแค่เขาลุกขึ้นตอบคาถามครูเราก็มั่นไส้ยังรู้ไหมทําไมเราจึงไม่ชอบใครบางคนอย่างไม่มีเหตุผลและในทางกลับกันทําไมเราจึงรู้สึกดีต่อใครบางคนอย่างไม่มีเหตุผล เด็บางคนมาเรียนหนังสือที่ออกซฟดเราอยู่มาก่อนมากินอาหารที่ร้านอาหารเรามาฝึกงานที่สํานัก ง, งานของเราคืออยู่เราก็รู้สักเขาเหมือนลูกเหมือนหลานเจ้าเคยเจอไหมเคยเมี้ย <Hey. S 1> ตาเขาช่วยเหลือเกื้อกูลเขาเงานินทองก็ไม่เอาสอนเขาแนะนําเขาอบรมเขารักเหมือนลูกมือนหลาทลูกคนบางคนซึ่งเขามีครอบครัวแล้วเขาแต่งงานแล้ว เขาเองก็มีครอบครัวแล้วรู้อยู่แล้วว่าเขาก็มีเจ้าของเก็ยังไม่ยอมเลิกชอบเขาเ <g ather> พราะอะไรทุกค น, นกบางคนจู่ๆเราก็รู้สึกเคารพน้อมนอบต่อเขาเ <c oughs> ขาพูดอะไรก็าฟ้าเข้ามฟัง <c oughs> เชื่อเชื่อพ่อแม่พูดไม่เชื่อนั่นเป็นไปได้ไหมว่าเขาเคยเป็นครูบาอาจารย์ธรรมกร่อนเป็นพ่อแม่เรามาก่อนปู่ย่าตายายธรามาก่อน เป็นไปได้ไหมว่าคนบางคนทนั้งทั้งที่มีเจ้าของแต่เราก็ชอบปล่อยไม่ลงตรงไม่ได้เพราะว่าเคยเป็นสามีภรรยากันมาก่อนคนบางคนที่เราช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นไปได้ไหมว่าเพราะเขเป็นลูกเรามาก่อนพระพุทธองค์สอนให้เราพิจารณาอย่างไหนถ้าเราไปโกรธเขาทําร้ายเขาปล่อยไม่ลงตรงไม่ได้ภพชาติของความแค้นจะยาวไกลยิ่งขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้ น, นตอนเป็นเด็กอัตามาภาพชอบ วันนั้นก็ดีไทยเรื่องหนึ่งพระอภัยมณีรู้จากไหม <c oughs> พระอภัยมณีเนี่ยแต่มาอยากจะบอกว่าแฟนตาซีไม่หน้อยไม่กว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ถ้าแปลเป็นภาษาไทย่นนะจะเวิกมากจะมีมากชื่ <c oughs> ออภัยมณีเนี่ยแต่มาว่ามันเป็นชื่อที่ไพร่ร่ำมากนะแปลว่าอะไรโยมรู้ไหมแปลว่าดวงมืนีแห่งการให้อภัย เราหมดวงมณีก็คือแก้วดวงแก้วแห่งการให้อาภายัยอาภัยมณีแม่ชื่อไพเผาแล้วเกิดอนะ่ะฉะนั้นเราทุกคนต้องทําตัวเป็นพระอาภัยมณีนะต้องเป็นดวงแก้วแห่งการให้อาภายัยโกรธคนโน้นโกรธคนนี้งอนคนโน้โนงอ น, น, น, น, นคนนี้เนีย่ยอย่าไปถือเวนนะผูกพกผูกเวนต่อกันจงล้างจงผ่านกันเลยให้ทาตัวเป็นพระอาภัยมณีคือพร้อมที่จะให้อาภัยต่อคนทั้งโลก ถ้าเราให้เงไภัยไม่ได้ถ้าติดภพกองเรายาวล้วเปโดเมโนโน่ข้ามภพข้ามชาติไปขําพบพข้าชาติไปชาตินี้ทะเลอะไว้สิบคนตอนนี้ลงตรงไม่เป็นพอตายปั๊บชาติหน้ามีศัตรูสิบคนรออยู่แล้วและชาติใหม่ก่อศัตรูไว้อีกยี่สิบคนพอตายปับ๊บพอตายปับ๊บท้ปไปเลยนะสาสบคนรออยู่แล้วนั่นเป็นเหตุให้คนบางคนเลลวลาทาอะไรแป๊ปั๊บ เดี๋ยวมีคนนั้นขวางเดี๋ยวมีคนนี้ขัดเจ็นอย่างนี้ตลอดเพราะอะไรศัตรูที่เราสะสมมาไงฉะนั้นกลับไปนี่เป็นดีลิสให้หมดศัตรูอยมลบออกจากระบบหน่วยความจำนะมันสมาธิบนเตียงถ้าสามีสงสัยก็บอก นี่วันนี้ไปกินยาอะไรมาเนี่ยบอกสามีว่าถ้าอาจารย์บอกว่าให้เป็นพระอภัยมณี <c oughs> เขียนชื่อคนที่เราโกรธทั้งหมดนะ <c oughs> ล้วก็อธิษฐานเอามาใส่ไว้ในมือเนี่ยอธิษฐาน <c oughs> สาธุสาธุ <c oughs> นับจากนี้เป็นต้นไปฉันจะอภัยให้แกเธอทุกคนที่เคยจองล้างจองผ่านฉันมาโดยตลอด <c oughs> เอาละนะ ผลบุญยราศใดที่ฉันเดิศทำฉันขอแบ่งปันให้เธอด้วยและในนามน้องกลับกันก็ขอให้เธอแบ่งปันบุญงามความดีให้กระชันด้วยจังนี้เป็นต้นไปเราเป็นมิตรกันตลอดทุกภพทุกชาติอย่าได้จองหลังจองฐานกันีเลยสาทุนะเสร็จแล้วล่กวดน้ําเลยนะกวดน้ําใส่ลงไปในชื่อเขาเรียบร้อยแล้วทีนะ่ะ นี่เป็นปฏิบัติการทางจิตวิทยาการเขียนชื่อเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกว่าเราได้เกี่ยวข้องกับเขาโดยที่ไม่ต้องไปบอกเขาจริงๆนะแค่เขียนชื่อเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราได้ชำระศารสังในดวงจิตของเราแล้วสิบสองท่านบอกว่าให้แยกธาตุนี่ถูอเรานั้นประกอบด้วยธาตุสี่กับห้า 5. ยมรู้จักไหมเดนน้ำลมไฟขันห้ารู้จักไหม รูปเูปมรูปละอันได้ถูกแล้วโยมรูปเมตนาคือความรู้สึกสัญญาสัญญ า, าไม่ใช่สาญานนะไม่ใช่พรอมิสนะสัญญาคือความสงจำรูปคือร่างกาย เวทานาคือความรู้แบบสัญญาคือความทรงจำสังขารความคิดวิญญาณการรับรู้ชันตาเห็นรูกก็รู้ว่าเป็นรูปอะไรหูได้ยินเสียงก็รู้ว่าเป็นเสียงอะไรนี่คือวิญญาณวิญญาณไม่ใช่ผีนะัชีวิตของเรานั้นประกอบขึ้นด้วยกายกับจิตหรือธาตุสี่และขันห้าอย่างนี้ต่ามันเวลาที่เรากําลังโกรดใครสักคนหนึ่งนะ รู้แต่ใจบอกว่าถ้าทํามาทุกวิถีทางแล้วมันยังไม่หายนะเอาวิธีแยกธาตุนะยมเขียนชื่อเขาเลยแล้ะยมแยกท่าตดูไหนลราคนที่ฉันตรวจไม่เห็นมีเลยพอแยกออกมาปั๊บเออก็มีแต่กองธาตุสีนี่หว่ะมีแต่กองขันห้า น, นี่ว่ะแยกแยกลงไปเนี่ยมีไหมนายกยอมไม่มีไหมนางขอมีไหมแทนนี่จริงในกยในขอที่เรากําลังตรวจไม่มีตัวเราก็ไม่มีนะ เร่อย่างวัตถชีระเมตย์นี่ไม่มีนะสมมตินี่สิ่งสมมตินั่งอยู่เนะี่ยแต่ธรรมาดาสิ่งสมมติก็รกนสิ่งสมมติอาจจะเผลอโกรธได้ <c oughs> แท้จริงตัวเรา <c oughs> ขูงเราไม่เคยมีนะเมื่อเราเกิดมานั้นมีเนื้ออยู่ก้อนหนะ่งมีดวงจิต <c oughs> เราสมมติเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรคนใช่ไหม ถ้าเป็นเมียวัยวะเพศชายเราก็สมมุติว่าพเพศชายอาวัยวะเพศหญิงเราบอกเพศหญิงจากนั้นเราก็ตั้งชื่อว่าอ๋อสำหรับรูปร่างนี้นะชื่ออย่างนี้นะตั้งชื่อให้เยอรู้ไหมแท้ที่จริงก้อนเนื้อก้นั้นกับจิตดวงหนึ่งนะมันชื่ออย่างนั้นจริงๆรนะิงไมันไม่มีนะเราเป็นตั้งชื่อให้มันอย่างแก้วใบนี้ อาตมาจะเรียกว่ากระโถนได้ไหมยอมยอมให้เรียกไหมอ่าตมาจะเรียกแก้วใบนี้ว่าสติ๊กจ๊อยอมไหมอาตมาจะเรียกแก้วใบนี้ว่าถึงโตได้ไหมเรียกว่าไก่ได้ไหมยอมยอมให้เรียกไหมจิตสมนึกยมจะค้างตลอดว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงมันคือแก้ว ใช่ไหมนี่คือแก้วใช่ไหมแต่แท้ที่จริงอัตมาถามหน่อยมันใช่แก้วไหมมันไม่ใช่แก้วมันคืออะไรมันคืออะไรไองค์ประกอบทางวัตถุสสารพลังงานชนิดหนึ่งรวมกันเข้าก็ขึ้นรูปขึ้นโครงมาเป็นทรงกระบอกอย่างนี้บรรจุน้ำได้เราสมมติเรื่องมันว่าแก้วแล้วพอเห็น พอเห็นเครื่องเรือนอย่างนี้อุปกรณ์อย่างนี้ภาชนะอย่างนี้เราก็เรียกว่าอะไรแก้วแต่แท้จริงนี่ใช่แก้วไหมไม่ใช่ไม่ใช่เลยเพราชื่อเป็นสิ่งสมมติที่เราตั้งให้กับมันใช่ไหมถ้ายอมชำแหละออกยมจะไม่เห็นแก้วนะแก้วเกิดขึ้นจากสิ่งซึ่งไม่ใช่แก้ว คนเกิดขึ้นจากสิ่งซึ่งไม่ใช่คนไหนล่ะสิ่งที่เรียกว่าคนผมใช่ไหมผมนี้เป็นเป็นคนไหมหูเป็นคนไห ม, ม, นนไหมฟันเป็นคนไหมเนื้อเป็นคนไหหนังเป็นคนไหมไส้เป็นคนไหมแต่เพาะเป็นคนเรืยังกระดูกใช่คนไหมถ้าเราาแนะทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วนแล้วเอามาวางไม่มีสิ่งที่เรียกว่าคน ฉะนั้นสิ่งที่ได้วันไหนก็ไหนขอที่เรากาลังตรวจมันมีตัวตนไหมไม่ไม่มีนะเรากําลังตรวจความว่าง <c oughs> ยอมไหมยอมไม่จะตัวเราเป็นความว่างเลยนี่แหละมันยากที่สุดก็ตรงนี้ <c oughs> เพราะอะไร <c oughs> เพราะมนุษย์มักจะยึดติดสมมุตินะ <c oughs> ยอมไม่ได้ <c oughs> แต่วันไหนยอ ม, มว่างๆนะถ้ายอมกดใครว่างๆนะยอมเอารูปเขามาตอนนั <c oughs> ้นตไปขอรูปเขาใบหน้า <c oughs> <c oughs> เอามาพิจารณา และถอดสมมุติเขาออกชื่อก็เป็นสิ่งสมมุตริรูปก็เป็นสิ่งส ม, มุตินามก็เป็นสิ่งสมมุดธาตุสี่กันห้าก็เป็นสิ่งส ม, มุติแท้ที่จริงมันคือธรรมชาติชนิดหนึ่งเท่านั้นแ่ะที่มารวมกันแล้วเราก็เรียกมันว่าคนถอดสมมุดทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นยังอัตา ม, มาเนียอมงถอดสิเราวิเชีรแล้วไม่ดีก็สมมุติใช่ไหมพระก็สมมุติใช่ไหมถอดนามปากกาวไปถอดสมานาเภศออกไป แต่อย่าเพิ่งอดจีวรนะอถอดท่าสี่กันห้างไปสิแขนไปทางหนึ่งหัวไปทางหนึ่งอวัยวะไปทางหนึ่งตับไตเส้นพุงไปไปคนละทางไปคนละทางอวัยวะสามสิบสองนี้ไม่มีส่วนไหนที่เรียกว่าคนแท้ที่จริงคือความว่างมันมารวมกันชั่วคราวแล้วมันก็จะแตกต่างคานั้คือเราไปเสียเวลาตรวจความว่างทํำไมนี่ ถ้าต่อไปให้พิจารณาถึงขั้นนี้เนี่ยต้องใช้ปัญญาเริ่องขัน้นึกเลยนะโยมจะเป็นคนลึกซึ้งของเขาเนพิจารณานะพิจารณาครั้งหนึ่งอาตมาภาพเคยถูกถูกกดมีคนโพสต์คือเขียนข้อความด่าอาตมาในตอนนั้นอาตมาแล้วอาตมา ก, ก็ยิ้มขำขำนี่มันด่าความว่างนีพิจารณาให้ถึงขั้นนี้นะแล้วโยมจะมีความสุขมากเพราะอะไรตัวเราของเรามันไม่มีอ่ะ ที่มดาก็คือก้อนสมมุติก้อนหนึ่งที่เขาคิดว่าเป็นร้าวแล้วเขาก็ทังลมก้อนสมมุตินั้นถ้าเราไม่ยึดติดก้อนสมมุตินั้นเราจะทุกข์ไหมควาทุกข์มันก็ไม่ค่อยมีหรอกเห็นไหย ม, มันพิจารณาอย่างนี้ต่อไปสิบสามส่วนมนึ่งมาทุกไปดีทางแล้วเนี่ยสิบสองข้อมยังไม่หายสแสดงว่าอาการมันหนักมากเลยส่วนหนึ่ ส่วนมนจะทำให้เราได้อยู่ในบรรยากาศของพระธรรมนะโกรธหนักๆก็สวดเสียงดังๆอย่าให้เกินแปดสิบเดือนสิเดียเพื่อนบ้านฟองใช่ไหมเกินฟองใช่ไหมเมื่อที่ที่แล้วอ่านหนังสือเด็ในอังกฤษเนี่ยเห็นว่ามีเด็กคนหนึ่งอายุแค่สี่ขวบถูมเพื่อนบ้านฟองเท่าะอะไรเพราะว่าร้องเสียงดังปอก็ว่าตำรวจจับแล้วก็จับจริงๆนะ ด้่ยพ่อแม่มาสั่งสอนว่าต่อไปอยแกต่อให้ลูกร้องเกินแปดสิบเดซิเบล้ฉะนั้นถ้าจะสวดมนต์ก็ต้องระวังด้วยนะแต่การสวดมนต์จะทําให้จิตของเราอ่ะ <c oughs> ถูกลึงกลับมาอยู่กับปัจจุบันขนา <c oughs> แต่ตอนสวดจิตของโยมมันอยู่กับบทสวดแล้วจนนะไปอยมกับจงเงนินมีเรื่องเล่าในประเทศเลียงนามคุณโยมก็หนึ่งจะสวดมนต์ด้วยการท่องชื่อพระอมิตาภพไปดูหนังจีนไหม อมิตะพุทธชื่อจริงของนั่นคืออ ม, มิตาพระพุทธผู้หญิงคนนี้เป็นชาวพุทธที่เข้มข้นมากตือสิบแปะทุกวันจะสวดมนต์ด้วยการระบุชื่อพระอ ม, มิตาพระพุทธสามพันจบตอนเช้าหนึ่งพันจบตอนเที่ยงหนึ่งพันจบก่อนนอนหนึ่งพันจบทีนี้เพื่อนม่านของเธอได้ยินสวดทุกวันนอนไม่หลับเลยตื่นเช้าตีสี่ได้ยินเพื่อนข้างห้องสวดแล้วทีนี้ ชาวมหาญาเนี่ยาญาเนี่ยพุทธศาสนาเวียดนามในเวลาสวดมนต์ก็ไม่ได้สวดเปล่านะเขาฮกเคยเห็นไหมเขาจะมีกลองใช่ไหมเวลาสวดนะเขาอมิตาภะอมิตาภะอมิตาภะอมิตาภะอมิตาภะอมิตาภะอมิตาภะแล้วสวดอย่างนี้พันครั้งตั้งแต่ตีสี่ถึงตีห้าแต่เพื่อนข้างห้องเพิ่งทางานกลับมาตอนตีหนึ่งตีสี่ได้ยินหนึ่งนี้แล้วจะหลับได้ไหมหลับไม่ได้ เต้นหนึ่งงั้นมาสามเดือนในที่สุดเขาทนไม่ไหววันหนึ่งพอผู้หญิงคนนี้เริ่มสวดมนต์แล้วขขก็เคาะกรองด้วยนะนะสวดไปเคาะไปเคาะไปเคาะไปนะเขาจึงเปิดประตูมายืนอยู่ที่หน้าบ้านตะโกนเรียกชื่อเลยแล้วแล้วคุณคนนี้ก็สวดอมิตพระอมิตรพะอมิตรพะอมิตรพะอมิตพ ะ, ตพ ะ, ตพะเขาก็เคาะประตูหน้าบ้านแปังปังปังปังปังปังคุณเงีย้ยคุณเี้ยคุณเี้ย ร้องอย่างนั้นนะโยมรูไหมคนที่กาลังสวดมนต์อยู่ดีๆนะโกรธ <c oughs> นะขนกึกเลยนะโตขึ้นมาเลยเธอก็สวดดังขึ้นดังขึ้นดังข้ดังขึ้นนงขึ้นดังขึ้นงขึ้นทีนบ้านก็ข้อเงี้ยนะแต่ก็ขอาขอมาตรงปังๆๆๆปังปังปังัสักพักนึหายไปในบ้านก็โกรธมาขกขึ้นสักพักอีกข้ี้สุดท้ายกหญิงคนนี้ทนไม่หไหวหรือไม ตาละทํง้งทิ้งแ้่พระเลยปุ้งเลยเดินไปแม่บ้นเปิ ด, ดประตูพรู้ไหมฉันกำลังสวมดมนต์พนม้นบอกฉันรู้เพราะฉันรู้ไงฉันตื่มนมาเนาะนี่ฉันทำไมเรียกฉันทำไมฉันกำนังจะมัดสวดมนต์ทำไมเรียกฉันทำไมเออขอโทษนะคุณเงีย้ยคุณสวดมนต์อ่ะ วันละสาครั้งใช่ไหมใช่ครั้งหนึ่งเนี่ยคุณสวดระบุชื่อพระอมิต า, าพระกี่ครั้งพันพันจบตอนหลังครับโอ้โหแล้วนี่ผมจะบอกให้บททีผมเรียกชื่อคุณไปกี่ครั้งกูรู้ไหม <laughs> ผมเรียกชื่อคุณแค่สี่ครั้งแค่สี่ครั้งกุ้งโกรน แล้วคุณเรียกชื่อพระอมิสาพระวันละสามพันจบคุณมัน่านโกรธไหมคุณแค่นี้ขับรถไปทำงานวันนุ่งขึ้น 4, ีสี่เงียบคุณเห็นรู้แล้วว่าเธอผิดพลาดอะไรไปเห็นไหมส่วนมนต์อยู่ทุกวันแต่กินเล็อยู่เคราะหไหม ครับฉะนั้นเวลาที่เรากำลังทำคุณงามความดีอ่ะเห็นใจเพื่อนบ้านบ้างบางคนคนไทยตื่นมาตีสี่สามีพนุเป็ดร้านตอนตีสองตีสี 4, พ่พรัญยาตื่นมาแล้วสวดเทียนแล้ บ, บัญชอนเท่าอายุสวดเท่าอายุพอเท่าอายุจบแล้วต่อเราอีตีมิโซอี อิติบิีโวธรรมดานังพอรับได้แตบางคนส่วนอิติบิสโวถอยหลังเห็นใจเพื่อนบ้านเธอบางครั้งเราทําความดีอยู่แท้แต่เพราะจิตของเราไม่อยู่กับปัจจุบันขณะจากเราสวดแต่จิตเราอยู่ไหนจิตเราฟุ้งไปทั่วส่วนอย่างนั้นไปพันจบก็ไม่มีความหมายความโกรธไม่ได้หาย <c oughs> ฉะนั้นถ้าเราจะสวดมนต์เราต้องอยู่กับสิ่งที่เราสวดจริงๆอยู่กับปัจจุบันขณะตรงนั้นด้วย แต่ในขณะที่คนกำลังสวดเพื่อตัวเองก็ให้ถามด้วยว่าเขาด่นเขามีความสวดกับการสวดของเราไหมเนี่ยต้องระวังอันตารายคือว่าการสวดมนก็เป็นวิธีที่ดีมากนะกลับไปเนี่ลองเอาไปใช้ดูนะเป็นวิธีที่ง่ายมากเอา้าต่อไปวิธีที่เท่าไหร่คะสิบสี่สมานไมตรีทํามาทุกวิธีแล้วยังยังคืนดีกันไม่ได้ยังกรธ อ, อยู่คำพีก็แนะนามมาําว่าเดินไปหาเขา จับมาขอเป็นเพื่อนถ้าเขายังไม่ยอมนะวันก็ิสมาสซื้อของไปให้เขาปีใหม่ส่งการ์ดไปให้เขามันเกิดส่งเค้กไปให้เขาจำ เ, เชื่อไหมน้ำหยดน้หยดลงหินทุกวันเห็นมันอ่อนอ่อนใช่ไหมแต่หัวใจอ่อนห่อนของคนจะไม่ยอมรับไมตรีเชื่อไหมพระพุทธองค์ตรัสว่าการให้ฝึกคนที่ฝึกไม่ได้ปราบคนที่ปราบไม่ได้ ทำคนที่สูงให้ลถต่ำก็ได้ทำคนที่ต่ำให้สูงก็ได้มื่อขโมยอยู่สูงกว่เมื่อผู้รฉะนั้นการให้มีค้อโประการมากจะเล่าโดวอย่างรื่จริงให้ฟังที่สหรัฐอเมริกาเมื่อกว่าห้าสิบปีที่แล้วเนะี่ะมีประธานาธิบดีคนหนึง่งในระหว่างที่ท่านกําลังเสนอตัวลงชิงตําแหน่งประธานาธิบดีคอร์รัิสันคือนักเขียนคนหนึ่งไม่ชอบท่านนะเขียนด่าท่านทุกวันเลยนะเขียนด่ากันเหมือนกับโกรธกันมาสิบชาติ ท่านประธานาธิบดีก็รู้สึกแบบแหมเจ้าหมอนี่มันเสียงดังมากถ้าคนอ่านคอลัมน์มันร้วันนะฉันคะแนนร่วงแม่ขึ้นมาคิดไปคิดไปคิดมาจะติดทิ้งบนก็ไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นคอลัมนิสต์ที่ปากกาคมที่สุดะนะสุดท้ายทำไงเพราที่ประธานาธิบดีค้นประวัตินักเขียนคนนั้นมาดูก็รู้ว่านักเขียนคนนี้ชอบสะสมหนังสือในห้องจมูกส่วนตัวของนักเขียนคนนี้มีหนังสือเป็นพันๆเล่มเลยเอาละฉันเจอจุดอ่อนมันละ พอได้จับไปหานักเขียนคนเดัอคุณครับนี่ผมนะบอกชื่อกว่าที่สถ า, านะธามาเรียนในอนาคตคุณครับพอดีระหว่างที่หาเสียงเนะี่ยผมกำลังค้นเรื่องเรื่อมหนึ่องอยากจะเอาไปพูดกับประชาชนแล้วขอโทษ น, นะครับทีมงานของผมเนี่ยหากันทั้งอเมริกาแล้วหนังสือเล่ม น, นี้ไม่มีมีคนมาบอกว่าหนังสือเล่ม น, นี้ยมีอยู่ในห้องสมุดคนนะครับ เดี๋ยวว่าอย่างนั้นนี่แหละคุณจะกรุณาให้ผมยืมหนังสือในห้องสมุดคุณได้ไหมครับยืมรูไม่เกิดอะไรขึ้นพอไปนุ่มนุ่มอย่างนี้นนะักเขียนคนนั้นหัวใจพองขับขออกเลยนะขะ้าพเจาที่ประธานาธิบดีกำลังยืมหนังสือฉันเย็นมันนั้นให้คุณกับรถ ด, ดาวหนังสือมาให้คนที่เองด่ามาทุกเมื่อเช้าวันนะแล้วมันรุนขึ้นพอหนังสือติมพวางแผงปับ๊บคลองน้ำที่เคยด่ากันมาทุกวันยังกระโจนกันมาติดชัดเขียนว่าไง อเมริกากำลังมีอนาคตเพราะว่าที่ประธานาธิบดีของเราเนี่ยเป็นนักอานตัวย่อยเมื่ อ, อ, อ, อ, อไหรก็ตามผู้นําของเราเป็นนักอ่านเมื่อ น, นั้นเรากําลังมีปัญญาชนมาเป็นผู้นำผมการันตระได้ว่าถ้าเราเลือกเขาอเมริกาเป็นเจ้าโลกจากนั้นเราสอคนนี้เป็นเพื่อนกันและได้เป็นประธานาธิบดีจริงๆไปดูหารใงินกันให้จริงไหม แล้วผู้ดวงกล่ว่าทาทามาโนปิโยห์หิผู้ให้ย่อมเป็นที่รักวันทักตวัวปฏิวันทนหนังผู้ว่าย่อมได้รับการไหว้ตอบเรายิ้มให้ใครเขาก็ยิ้มให้เราจริงไม่จริงฉะนั้นถ้าทำมาทุกวิธีทางแล้วยังไม่ดียังคืนดีกันไม่ได้นะทูกมม็ดอัลเบรฮัมลิงคอนได้กล่าวเอาไว้ว่าวิธีทําลายศัตรูที่ดีที่สุดก็คือจงเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร เพาะถ้าโยมทิ้งเอาไว้เขาเจะกลายเป็นคนที่อันตรายสําหรับโยมมากออกมาเป็นพวกสามจะทิ้งเขาไว้อันตราย <c oughs> มาถึงวิดีสุดท้ายสิบห้าใช่ไหมสิบห้าเจเริญสติอยู่เสมอ <c oughs> อะไรคือเจอเริญสติ <c oughs> มันตามดูตามรู้ลมหายใจอยู่เสมอ <c oughs> ทุกคนมีลมหายใจอยู่แล้วใช่ไหม มีใครไม่มีลมหายใจในห้องนี้มันง่ายมากที่จะเจเริญสติถ้าเราเจเริญสติอยู่เสมอเนี่ยว่างเมื่อไรก็กลับมาตามดูตามรู้ลมหายใจการหายใจอย่างคนที่มีสติกับการหายใจของคนที่ไม่มีสติมันต่างกันคนไม่มีสติเวลาหายใจก็หายใจทิ้งไปเลยจะรู้ว่าลมหายใจมีความหมายก็ต่อเมื่อเป็นวัด ถึงได้รู้ว่าอ๋อเออจมูกฉันมีลมผ่านไว้ก็ <c oughs> มันจะมีเราจะไม่สนเลยใช่ไหมเราจะหายใจทิ้งหายใจกว้างใช่ไหมเ <c oughs> ด็กว่าหายใจก็จริงแต่หายใจไม่เป็นทีนี้คนที่หายใจอย่างคนที่มีสติเขาจะหายใจด้วยตระหนักรู้ด้วยอ่ะเราทําพร้อมกันยืดตัวขึ้นมาทีเอาหลักกาลงนะประสานมือไปตรงหน้าตาับไหนลองหายใจเข้าแรงๆสิ หายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกๆยมลองสังเกตดูนะยมจะรู้สึกโปร่งโล่งเบาขึ้นมา ถ้าทำอย่างนี้เป็นตั้ง5นาทีนะลมหายใจของโยมจะประนีลงประนีลงประนีลงความสดชื่นรื่นเย็นก็จะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นแล้วมันก็จะแผ่ไปทั่วสารพรางกายของเราถ้าเราทําอย่างนี้อยู่ทุกเมื่อเช้าวันนะ่ะตื่นนอนขึ้นมาทําครั้งหนึ่งก็ไปทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วทําครั้งหนึ่งก่อนนอนทําอีกครั้งหนึ่งวันหนึ่งทําได้3ครั้งนะโยมจะมีสติเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วหลังจากนั้น พอาะสติเข้มแข็งเมื่อความโกรธเกิดขึ้นยมจะเห็นความโกรธตั้งแต่มันเริ่มกุ่นเริ่มกุ่นกุ่นขึ้นมาครั้งแรกและหลังจากนั้นเป็นต้นไปโยอมจะเป็นฝ่ายจัดการความโกรธความโกรธจะทําอะไรยมไม่ได้ฉะนั้นีการเจริญสตินั้นคือวิธีบริหารจัดการความโกรธที่เด็ดขาดที่สุดเอาละเลืมตาขึ้นมาได้ทุกคนมีลมหายใจทุกคนมีจมูก นั่นหมายคามาทุกคนก็จะมีชีวิตอยู่ฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะทําให้เราเจริญสติมีกันอยู่ครบใช่ไหมโยมมาโยมโชคดีไหมโชคดีต้องใช้เงินสักบาทนึ่งไหมไม่ยากเลยการเจริญสตินอกจากจะตามดูตามรู้ลมหายใจให้บ่อยที่สุดในหนึ่งวันแล้วเนี่ยนอกจากนั้นเวลาโยมทําอะไรโยมก็จำหนักรู้ยืนก็รู้ว่ากําลังยืนย่างก็รู้ว่ากําลังย่าง เดินก็รู้ว่ากำลังเดินกินก็รู้ว่ากําลังกินดูก็รู้ว่ากำลังดูเคี้ยวก็รู้ว่ากำลังเคี้ยวซักผ้าก็รู้ว่ากำลังซักผ้าทําครัวก็รู้ว่ากําลังทําครัวต่อะูกก็รู้ว่ากำลังกอดคุยโทรศัพท์ก็ตรหนักรู้ว่ากําลังคุยโยมเติมความตระหนักรู้ลงไปตัวเดียวนี้เตัวนั้นจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยหรเช่นถ้าโยมเดินนะโยมรู้ว่ากำลังเดินอะในหัวโยมจะไม่มีความคิดใช่ั้ม ถ้ายอมยอมดูโทรทัศน์แล้วยอมรู้อยู่ว่ากําลังดนยอมก็จะไม่ฟุ้งไปที่ะการเจริญสติมันให้อย่างนี้คนจํานวนมากเป็นทุกข์เพราะอะไรถ้าไม่หลุดไปในอดีตก็หลุดไปในอนาคตจริงไหมเป็นคนขับรถอยู่เนี่ยตาก็โล่งอยู่แท้ๆนะยมนะเชื่อไหมเอารถไปชนคนอื่นเฉยเลยทําไมาใจลอยใจลอยทําไมท่านจึงเรีอาการขาดสติว่าใจลอยเพราะตัวอยู่นี่แต่ใจอยู่โ น, น่น ทำไม่อนาคตก็อดีตคนใจรอหนะ้าเป็นคนที่อันตรายที่สุดฉะนั้นเราควรจะฝึกเจริญสติอยู่เสมอการเจริญสติเป็นดังหนึ่งการรดน้ำลงไปที่ต้นไม้เรารดทุกวันทุกวันทุกวันต้นไม้ต้ตนนั้นก็จะได้รับความสดชื่นทุ่นเย็นแล้วก็เปลี่ยนบานสะพรั่งใช่ไหสติเป็นดังหนึ่งพระพุทธรูปที่อยู่ในหัวใจของเรา เมื่อเราเติมการเจริญสติลงไป ท, ท, ทุกวันทุกวันทุกวันวันหนึ่งพระพุทธองค์จะตัดสรู้ในใจเราพอนั้นเตัดสรู้เราจะกลายเป็นคนที่มีสติเต็มอยู่ทุกเมื่อเช้าวันและหลังจากนั้นเป็นต้นไปเราจะเป็นบุคคลที่ไม่โกรธตลอดกาลนั่นเป็นเหตุให้พระพุทธปฏิมาทุกองค์จึงมีพระพักแหย่มพระส่วนอยู่เสมอเคยเห็นพระพักของพระประธานวัดไหนนะ่ามึนไหมไม่มีนั่นแหละ นั่นแหละคืออารมณคติของเราทุกคนฝึกเจริญสติไปจกกนกระทั่งว่าวันหนึ่งเรามีสติที่เต็มเปีเ่ยมเราจะเป็นมนุษย์ที่อารมณ์ดีตลอดปีและตลอดชาตินั่นคือวิวัฒนาการสูงสุดของมนุษย์เป็นมนุษย์ที่ไม่โกรธ อ, อีกตลอดไปสิ่งแร้วิธีเนี่ยนะพระอาจารย์แนะนําให้เราทํานะเราทุกคนมีความโกรธอยู่แล้วที่ผ่านมาเราจากการความโกรธตามยถากรรมใช่ไหม จากนี้เป็นต้นไปเราจะไม่จัดการตามยถากรรมแต่เราจะจัดการความโกรธเหมือนดังหนึ่งคนที่จบปริญะเอกด้านการจัดการความโกรธทีนี้เราจะรับมือกับความโกรธอย่างมีชั้นเชิงแล้วใช่ไหมนะสัญญากับพอาจารย์นะกลับไปจากนี้ใครมาทําให้โกรธตัต่เร า, เราเลึกดูนะสิบห้าข้อมีอะไรบ้างเอาข้อไหนมาใช้ดี <c oughs> อาตมาเชื่อมั่นมาจากนี้เป็นต้นไปโยมจะปฏิสัมพันธ์กับความโกรธได้เร็ขึ้นชนิดที่ว่า ต่างกับคนเดิมอย่างลิบรับเพราะอะไรเพราะว่ายมจบหลักสูตรการจัดการความโกรธในระดับปริญญาเอกจากที่ไหนออกซฟอร์ดใช่ไหมเพราะเราพูดอยู่ที่ไหน <S <S ที่ออกซฟอร์ดพอดีฉะนั้นหลักสูตรนี้นรอรตมาภาพก็ไม่ได้เปิดสอนไปบ่อยนะที่พวกเราโชคดีมากก็มั่นใจว่าเมื่อจบหลักสูตรนี้ไปแล้วเจอกันครั้งหน้ามาเล่าให้พระอาจารย์ฟังเลยว่ายมจัดการความโกรธได้ดีเพงไรดีไหมคะ นะอ้าววันนี้คิดว่าใช้เวลามาพอสมควร ล, ละก่อนจะจบมีใครอยากจะปุึชาวิสชนาอะไรสักสองสามคำถามไหมมีไหมถ้ามีก็เชิญ น, นะลูกอยากถามเหรอครับเมื่อกี้หายใจทั้งใจหมูหรือทั้งป <c oughs> าตอืเจะไปไหนออ <c oughs> มีตับอาจารย์สอบไม่ได้นี้ไม่กล้ากลับเมืองไทยเลยนะทำลึกเลยเนี่ยตายแล้วไปไหนตอบได้ไหมอัตมาว่าตายแล้วไปไหนไหมนะห่วงห่วงตองสอบสัมภาษณ์ <c oughs> <c oughs> จะได้ไปสวรรค์นรกไปเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมตายแล้วไปไหนก็ตอบได้ว่าหนึ่งถ้ายังเป็นคนมีกิเลสอยู่ก็ ถ้าอยากเรียนได้อยากเรีนยงงนไา้ตาเกิดอย่างนี้แหละถ้าความดีมากก็ไปสวรรค์ถ้าความชั่วมากก็ไปนรกั้าหมดดีหมดชั่วก็ไปนิพพานวิธีการเรียนมาตาเกิดไปเลยดีไหมครับลูกลูกอยากไปนิพพานไหมไปพรมพระอาจารย์เลยไม่จะได้สื้อตัววันนี้ <c oughs> เอาละ่ะผู้ใหญ่มีไหมเอ่ยมีคมีติดอ่าเชื่เลยค่ะหลวงพ่ออาจารย์บอกว่าถ้าเราเกิดให้เนียบ Uh huh. แต่ว่าเราอยู่กับคนอังกฤษเขาต้องพูดพอเราเงียบปุ๊บเนี่ยโกมากขึ้นตรงนี้ค่ะยอมถามว่าถ้าเราอยู่กับคนอังกฤษเวลากกอนเนะี่ยเราเงียบไม่ได้นะเพราะชาอังกฤษชอบพูดใช่ไหม <c oughs> ถ้าเรามันเงียบปุ๊บเนี่ยชาวอังกฤษกับเราไม่มีปัญหาด้นเทนะ <c oughs> จะยิ่งหนักขึ้นใช่ไหม <c oughs> พระอาจารย์ว่า เราจะต้องสอนชาวเปรตอาทิตย์นี้ให้มันรู้บ้างว่าประเทศไทยต้นมีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเขารับมือกับความโกรธได้ดีกว่าชาวเปรตยังไงเราอย่ า, ไ, าไปปฏิสัมพันธ์ด้วยความรู้สึกว่าเราเป็นรองเขาเราจึงต้องยอมทําตามอย่างเขาคึอเขาแรงมากก็แรงไปใช่ไหมเขาพูดมาแล้วก็พูดไปเลยอย่าเลยโยมพระอาจารย์คิดว่าเราก็ต้องใช้วิธีที่พระอาจารย์บอกมนาะ บอกเขานะว่ายูยูรู้ไหมในวัฒนธรรมโพสต์น่ะเวลาโกรธอ่ะนะพี่ผุ้ดองสอนให้ฉั น, น่ะสอนตัวเองก่อนให้เตือนเองว่าว่ากําลังอยู่ในอันตรายล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้สถานการณ์ของฉันกําลังไม่ดีเลยนะฉันขอให้เธอเน่ะพักการพูดคุยก่อนได้ไหมฉันเองก็อยากจะพักเหมือนกันแล้วพอดีขึ้นเราค่อยมาคุยกันได้มั้ยถ้าอาจาเก่งถามว่าทําไมอ่ะทําไมฉันต้องหยุดอ่ะ เดยกก็ถือโอกาสสอนเขาเลยนะนยงงเพราะนี่ไงเพราะว่าถ้าเราคุยกันไปในสถานการณ์มันจะเลวร้ายยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นถ้าเขาต้้งถามมาทำไมอยากรู้มากใช่ไหมเอาล่ะฉันมีซีดีอยู่แผ่นหนึ่งคุณสุโรบายคลายกดของท่านวอร์เด้อไปฟังแล้วกัน15ข้ <laughs> <laughs> อคราวนี้ชาวเป็ดจะได้เรียนรู้จากชาวไทย ปฏิสัมพันธ์อย่างที่ยอมถามวัตรมรภาพนี่ยเขาเรียกว่า mindset คือชุดความคิดคือการที่เขามีวัฒนธรรมอย่างเนี้ยถ้าเราเห็นว่ามันไม่ดีเราไม่จําเป็นจะต้องไปตามเขาใช่ไหมเราไม่จําเป็นจะต้องเดินตามเขาถ้าเราเห็นว่ามันไม่ดีเราต้องสอนเขาได้อัตราที่สุดไหแล้วเดินเดินสายวัฒนธรรมทั่วโลกเนี่ยอัตมาได้บทสรุปอย่างหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหรือเป็นคนไทยนะเปลียดไม่ได้ต่างกันโลกฉลาดมันไม่ได้ไกลกันมากนะ โกรขึ้นมาเกลียดขึ้นมาเผาขึ้นมาเนะี่ยธรรมะของพระพุทโธช่วยเขาได้เหมือนกับที่ช่วยชาวไทยฉะนั้นพระอาจารย์คิดว่าบางครั้งถ้าเขาไม่รู้เราก็ต้องสอนเขาใช่ไหมอย่างวันก่อนพระอาจารย์ไปบรรดายที่ลอนดอนก็มีผู้ดังคนหนึ่งมาขอจับมือสามีจับก่อนแล้วพระอารย์ก็จะจับอาตมาหดเลยเกือบไม่ทันซ้องยดาดาากแปกเลย <c oughs> คือคือแล้วเขาก็ต้องถามมาทําไมอะ่ะแล้วหน้าตาเขานี่แบบเศร้าอะ่ะเขารู้สึกเหมือนเราไปดูเหม็นเทียนแครงเขาอย่างนั้นเลหรอทําไมทีกับสามีท่านให้จับแล้วกับฉันฉันเป็นอะไรอาดมาก็รู้ที่จังมันเป็นวินัยของพระนะเนี่ยในที่สุดเขาก็ยอมรับแล้วก็ได้ถ่ายรูปด้วยกันเพอถ่ายรูปปับ๊บอาดามาก็บอก <laughs> <down> นะั่งได้ไหมเพลินดีดาวเขามองหน้าทําไมผู้ชายยืนฉันนั่ง <laughs> อาดามาก็อธิบายอธิบายจากนกระทั่งเขาเข้าใจ เรื่องเหนไหมถ้าเราจะเย็นพอที่จะอธิบายอาตมาเชื่อว่าชาวเพ็รสอนไม่ยากนะชาวเพ็รสอนไม่ยากต่นถ้าเขาไม่เข้าใจจริงๆก็ทางสุดท้ายนะสีดีท่านบอกอะ <c oughs> เอาถามดีมากนะปรบมือให้คนดอมหน่อยนี <c oughs> ่อีกไมเอ่ยเชิญได้เลย <c oughs> เอาแล้วนะ <c oughs> ถ้าไม่มีพระอาจารย์คิดว่าวันนี้เราได้ใช้เวลา ร่วมกันอย่างมีความสุขพอสมควรก็ขออนุมโมทนาครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือทุกรูปแล้วก็ขออนุมโมทนาเราท่านทั้งหลายทุกคนที่ตั้งใจฟังด้วยจิตภรวะดุศสมบุญญาศีที่เราบําเพ็ญร่วมกันในวันนี้ก็จงมารวมกันเป็นตะบะเดชพลวัปัจจัยอํานวยเวชัยให้เราทุกคนอยู่ให้มีชัยไปให้มีโชคและบำเพ็นตนเป็นพระภัยมณีผู้อยู่เหนือความโกรธ ในที่ทุกสถานในาการทรบเมือ้อโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ